ตลาพรท่านสาธุชนพูทธบริษัตผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งถามตอบคำถามเกี่ยวกับปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาก็ขอเชิญเข้ามาได้อันดับแรกก็คือผู้ที่เข้ามาดับแรกก็คือพี่เด็กชายพี่เคกัดนามนสการค่ะพระ อ, อาจารย์ เป็นยังไงครับวันนี้ยกมตาพิมพะอถามลูกอ่ะอ่าดีครพะอาจารย์ดีแล้วไม่มีเรื่องราวเสียหายมาไล่ทำเละไม่มีครพะอาจารย์น่ ใ, ใจเลยอแน่ใจว่าเป็นเด็กดีหรอแน่ในจคพะอาจารย์ ม, มีสติที่าพิมพมีสติคับพอาจารย์อ่าไม่มีเรื่องไม่เล่าะนะช่ับพอาจารย์อโอเค ยามาสุยมลนฟังนไหมอ่ะอาลาฮาสมมาสมพุทธเจ้าระชาชาชา ช, าชาอาลาฮสัมมาสัมพุทธาพะวาพุธทธังแล้วกนตังอภิวกลาสวาสวากะโตภะวาโตธัรมะา ง, งะน้ำคุณไปตั้งใจเดี๋ยวไม่ได้ดูเสมอต่อนะสาธกับสุปะ ติปันโนะวาตสวากัสังโกอาวะนามิกราอิติปิโสวาอาลาห์ซัมซัมบุโตวิจารณาสัมปันโนสุตลอนัตุริสธมสาริสัาีวัุสนุโะวาติกาสวากาตัมม สันติส่าอสิทธิ์ก็อปรปจตุวีปปุโปรปัญญุสิทธิสุภาษิตปัจนะวะตุสาวงโฆอุปปจิตปัจจันโนภะวะตุสาวกสังโาัจจันโนภะวะตสกสังโฆมิจิปะิวโนภะวะตุสาวกสังโฆปิตันจตุวารีิสงนิย พูดสักพกแล้วเนยจะไปกวาตู้เสื้กระสกหัน้ย้างหัน้อยน่ัน้อนนัวน้อยันนดักรกสสัท่านจะนาุมากกว่าตีกก่งากครับเฮ้ยมาขาวจาก่อนนงคนกับน้ำมันสรกันข้าจานไม่มีสวยต่อ ไปต่อไปแต่ไม่ตาอาแผ่ไม่ตายให้ตัวเองก่อนฮะแผ่ไม่ตาก่อนไม่ไม่ไม่ไม่ได้อ่ะอาหางสุกี้ม่อหาสุขี้ตงได้ลุงคุณโกหกอาจรันไม่ด้ทุกขนโอ้มีอะไรวงมีอะไรวะอะไรปเชยวมีสุขีัแปะน้าปาลิปารีอาลาปาลามิซาเพส เทสตาน้องคุณทำได้อม่ไดมาเป็นหลายเงินบอกพระอาจารย์กราบพระขอบนระักุลครับพระอาจารย์จำไม่ได้อ๋อจาไม่ได้โอเคโอเคเก่งมากเก่งมากขอพระอาจารย์ยังไม่ได้ทานคราวค่ะเรากล่าวพระอาจารย์ก่อนค่ะดีค่ะไม่มีไม่มีค่ะพระอาจารย์ว่าจะไปกราบไม่กล้าออกนอก กรุงเทพเลยค่ะกลัวไม่มีน้ำมันเติมอ่าอย่าไปไหนแล้วเนี้ยอยู่บ้านทำงานในบ้านค่ะพระอาจารย์มันก็เริ่มเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องมีความระวัดระวังประหยัดค่ะประหยัดการเดินทางมันก็มันก็ลดถ้าใช้จ่ายไปได้เยอะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปขอบพระอาจารย์นะเจ้าคะได้สูงนี่ก็พอแล้วค่ะ เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีตัวโมหะมีกิเลสเข้ามาเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ได้มารับฟังวันนี้ก็ฟังธรรมะพระอาจารย์ด้วยค่ะอืมค่ะดใีให้เบรกใจเบรเเกเรื่อยๆทำไว้ไว้ธรรมะจะช่วยจัดการให้ชีวิตเราดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าอาทิตย์นี้พอมันมีกิเลสมันมีโมหะมันมันมันทําให้มัน จากที่เคยระ ง, งับอารมณ์ได้อย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์สติมันก็ตามไม่ทันต้องแบบดูลูกน้องอะไรประมาณเนี้ยก็เวลาเราดูไปแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะใช้ใจไม่ใช้น้ำค่ะพระอาจารย์ดูว่าเกา่าแน่ใจต้องอย่าใช้อารมณ์ต้องเป็นสติตอเวลาเรามีอารมณ์อย่าอย่าพ่งไปว่าอะไรเขาอย่าเชยๆให้ก่อนค่ะคือก็ไ ม, ไม่ไม่ได้ใช่อารมณ์มากนะคะแต่บางทีจริงๆเวลาเขา อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าไปคาดหวังใช่ไหมคะแต่มันไม่หวังก<ม>็ไม่ได้ว่างานมันไม่เสร็จตามเ<ด>ป้าท<ำ>คทํานทำได้แบบเราเพราะช่องของมราต้องเป็นรุ่งเร้ค <c oughs> ่ะพระอาจารย์พอมาคิดได้ที่หลังก็เออก็ไม่น่าไปคาดหวังเองเนาะอะไรประมาณนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็มันกระดุกไปแล้วจะพยายามระวังสติให้มากขึ้นก่ะพระอาจารย์ออย่าเอรื่องอารมณ์มาระบาย คุณค่ะอาจารย์ตามเหตุตามผลค่ะแต่พยายามค่ะก็เลยต้องอ่าฟังฟังที่พระท่านเทศท่านสอนพวกคือฟังกรองหูไว้ค่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่แต่ว่าให้มีแบบมีเสียงธรรมะเข้ามาตอนอที่แบบนั่งทํางานนะคะมันก็ช่วยได้บ้างค่ะอาจารย์ก็ดีค่ะฟังไปเรืเ่อยๆให้ธรรมะคอยเตือนใจให้มีความเมตตา อ่ากอดกัน อ, อ, อ่าแต่ว่าเวลาในเรื่องของหน้าที่การงานเรามันไม่ถือว่าเป็นแบบกรรมต่อกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่น่าถ้าเราพูดแบบเป็นอารมณ์มันก็ใครว่าจะก่อนแทนก่อนเค่องได้ถ้าเราพูดเราไปว่าเขาไปด่าเข า, าเรื่องนับนับกอองงานการไปว่าพ่อแม่เขาอะไรออไอถึงขนาดแค่คื อ, ค, อ, ค, อคือตามงานทวงงานแล้วก็แบบเออทําไมไม่ได้ ตามที่คอมมิตไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือพูดพูดในในในแง่ของการทํางานแค่นั้นไม่ได้มีใช้คําเอส่วนตัวหรือว่าอารมณ์เข้าไปใช้คําหยาบคายอะไรอะค่ะอาจารย์ที่ดีพยายามพูดให้น้อยที่สุดดีที่สุดจะพยายามค่ะอาจารย์พูดเฉพาะที่เป็นเลวเป็นดาวในเรื่องที่แจว่าปรุงแต่งมาเสริมด้วยคําโกรธอย่าไปพูดอืม ค่ะทีมันพังเผลิงแล้วพูดไปว่าเขาม่เอียดยางเพราะว่างอะไรอย่นีบางทีเราไม่ได้คิดแต่ว่าคนที่เขาฟังเขาอาจจะไปคิดแล้วเจ็บใจเจ็บแค้นแล้วกลายเป็ น, เ, ปนเวรกรรมกันขึ้นมาได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์จะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะอือโอเคค่ะให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะอ่าสาธุตอนนี้นัองเรียนพ่อแม่ยังมานัองเรียนกันตัวเล็ ต้องเล่นพรมหยังครับกัดนักพัฒนาพระอาจารย์เจ้าค่ะกัดพะอาจารย์เร็วอากาเร็วอุ๊ยเบาๆลูกกัดดีๆเดี๋ยวไปไปกับใกล้ๆแต่ไปอุ๊ยเดี๋ยวหกหกล้มนงนี้ก็ได้ลูกไปกัดตรงนีอากาศตรครับพระพากับพระสงครับครับโอเคเสร็จแล้วลูกอาบอกพระอาจารย์สิลูก เรขอพระชายเราเดี๋ยวว่าสะาวาะอรหันมะะาบะมูตาสัพพะาโตะอหันตุธรระัพพะตาบะอะสพพะะคาาปุถางปะาวางอภิวาเทนสุปจิปันปะคาวาปะาวาธรระะสุปจิันปะคาวาตสามกุฏภูสังนามิมีดิบิสุปาอตุธรรมะสัพะะ ดูาโต้กาวิอนุตตล์เราควรมาตราติทถาเทวมนุย์ารกกพัาจปจิปานลกพตตว่าสาตพัฒนตาทำนิจจิโกะกรกุปิกะโอปะไรโอปะจัดาปุยูนิติสุาุตาุาจะไเราจมืองมือด้วยลูก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 อันชาลีก <the> an er ัลลนนี่อน um ุตาลับุญญาเกตทางโลกาสัตว์ทุนทุนสุศลไดๆที่สัปพะเจ้าได้กับธรรมะขัพพะเจ้าก็อุเชศน์กุศลเดียวกันจทั้งหมกุลกุลกาลุ่นกุศลกับขมูแล้วสัตว์ทั้งหลายอันเป็นพ่วนชูเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดงอย่ามีเยนภัยอย่าได้ ทีดกเป่าสพก็เสเปซสตาเวอพยชาสุกีค่ะอัาสที้าเลยกจ ได้โปรเซสเซอร์โน้ตให้เป็นเงาเือะเลยตลอดที่ทำนาฬิการุ่งแล้วเพื่อนเรื่องเรื่องแล้วเมื่อนั้นก็นำตัดนำมาเรียกนำลายความมุดมูดนำมาสร้างข้อนำมุดอ๋อจริ่งข้อหนึ่งข้อแรกต้องสองขัอสัมข้อสามข้อมีแฟหละยคนก็สี่ข้มุดเพาะความเจือจุ่ะสูขาหวนะครับหวล้วครับบอก บอกอบบน้ครับผู้นะครับยังไม่ตายังแบบยังไม่หมดยังไม่หมดมีอะไรอ่ะแล้วมีคนแก่ไปเราแตอร์คนคนแก่ไปแม่แล้วนสรกเนี่ยมาลาเตอร์คตาไปแม่แล้วมีคนตายไปทอารให้ลูกคนท่งไีมีอะไก็จะท่องค่าาจักของหลักฐานในแต่ท่องในต่างปมีกาเป็นถงจะก็องเอาตัวเรา้มีก็เป็นข้อพันกามเป็นมเด็จมัเปกป็นขั เราจะจะเอามีการเป็น <user> พี่กับเป็นพี่เพื่อแต่เราจะตองไป็นในที่หรือจะต้องรับผลตอบกับนครับหลวงตาถามว่าไหนแถวที่เสือกุศลหรือยังครับพ่อไปยังอาบนกุศลกุศลนะครับเพื่อแล้วก็พูดดังๆหรกแถวอย่างครับหลวงตาครับวันนี้วันเสาร์ไปบอกหลวงตาเปล่าบอกหลวงตาสิ แล้วลนวันเสื้อผ้าแม่กลินไปไช้บานหลวงตาเจ้าค่ะรางวัลเป็นเบเบ็ดรางวัลเป็นข้อนี้รางวัลเป็นอะไรคะกระเบช็อกโกแลตใช่ไหมลูกโอเคแค่ะไม่อมยิมอมดิมโอเคค่ะโอเคฝันดีฝันดีนะครับหลวงตาบอกเลยเลยฝันดีนะครับ ลาหลงตาขอลูกขอให้หลวงตาท่านแข็งแรงแล้วเจ้าค่ะลาสาธุค่ะอากาศกลับึงกับหลวงตากับลงตากับสวยๆค่ะน้องลินน้มตาตาให้หลวงตาขึ้นใจตีอาร์แลยหนึ่งสองสามนะโมน้ำหะน้ำโมต่าต่าให้หลวงตาขึ้นใจตรีอาร์เลยหนึ่สองสามน้ำโมน้ำ อกคอบว่าสอ้อว่าเานโอ้เก่งมากจ้าผมผมได้ไหมผมอาผมละไรลูกผมละไรยคะอันนี้เดียวก็ได้อาผมละลายคะเถื่อเถือะไรเป็นนิดหน ถามว่ า, า, าคุณหลวงตาเจ้าค่ะ น, น, นอนรับฝันดีนะค ะ, ะ, คะเด็กแ้นับัดีนะคะปัดคุณพ้าก่อนัดคุณพรไหว้พระช่วยบังแล้ก็นอนหลับสบายค่ะค่ะสมวัตการเจค่ะอ่าพูต่อไปเก่งมากตัองริ่นเก่งมากเลยที่จะมาจัดเจตต่อนี่แฟน original ครูนี่เราติดหับอสการทนายจาครับเออวันนี้มาสมบันบ้านเช่นเคยครับน่าจะมาที่ได้กี่นาทีนล้วห้าสิบนาทีครับห้าสิบเลยโอ้คี่ว่าจะถึงชั่วโมงเ้ยน่าจะถึงครับถ้าลองครับโอเคลองดูนะครับข่าวว่ามาคนบ้านเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่องพนความแก่ไปไม่ได้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 เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลผลกำนัลกำนังนั้นสืบไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวักนเถอโอเคนะจำไว้ให้ดีนะครับโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบนะ้างมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ในกระดูกมา้ามปัดตับทางเพืชอไต ปอดไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยี่ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อนน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อนน้ำเลือดน้ำเหลือง น้ำเสล็จน้ำดีเยี่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตขึงกิดตับหัวใจ ม, ม้ามเย่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปันเด็บขน ผ, ผมนำชื่อได้ต้องเป็นต้องนึกภาพออกนะครับเวลาเห็นร่างกาย อามองทำรู้เข้าไปใต้พิวน้ำเป็นตามซ<อ>ูประมนนะ<อ>าตายสเลนะครับโอเค okay. มีอะไรไหมมีมีมมนิดนึงค่ะพระอาจารย์ เ, เดือนมีนานี้บ้านเราเข้าสุ่มครบสี่ปีแล้วค่ะหนูต้องอขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะบ้านเราได้เส้นทางแล้ว่าเด็กๆ เ, เขาก็เหมือนเห็นทางที่เขาจะเดินไปอะค่ะแล้วก็ ความทุกข์มันก็น้อยลงนะคะพระอาจารย์แล้วเด็กๆเนี่ยเขาไม่มีปัญหาที่โรงเรียนเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างมัน อ, อนิจจ์ะค่ะเขายึดมัน่นถืงมัม่นเพื่อนไม่ได้เลยอะไรอย่างี้ค่ะค่ะชีวิตเหมือนกับจะ<ต>บอกว่ามีมความสุขก็มไม่ใช่แต่ว่าไม่มีความทุกข์ก็ค่ะค่ ะ, ะทำหน้าที่ของเราให้เต็มใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ตามกฎตามระเบียบทุงอย่างแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนไปบูลลี่คนอื่นเขเนะอะให้มีความเมตตาต่อกัน น่ะชีวิตจะมีความสุขความสุขอยู่ที่การให้ให้ทานอยู่ที่การรักษาศีลดังนั้อยู่ที่การนั่งสมาธินะทำสามอย่างนี้ได้ชีวิตเราก็อ่อนแไม่ต้องมีเงินไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะไม่ต้องมีอะไรเยอะๆมีบ้างก็ได้แต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องไปขวนควยหามันถ้ามีคนเขาให้มาก็โอเครับไว้ได้ โ <Okay>, yeah. อเคนะอย่ากดูวนะ<ะ>สิ่งที่ทำอยู่นี่ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติพยายามรักษาไปจนวันตายเลยนะลาสลาที่ไปล้าจะมีธรรมะเป็นที่คุ้มของใจมีธรรมังสนนำกระชามีออโอเค ส, สี่ปีแห้องซูนี่มีเมื่อมากี่ปีแล้วจำไม่ได้ <สะ S 2> ห้าเลย ห้าตัวกอะโอเคตั้งแต่โควิดจำได้ว่าเมื่ไม่โควิดก็เลยหาถามนี่สติดต่อกันย่านอยู่ก็เลยใช้ใช้สูงนี่ครับโอเคก็ขอเชิญชมยินดีที่เกาะติดมาตลอดไม่ไม่หลุดไม่ต้องไม่หายจากนะครับโอเคอไปที่เราทิ ม, ม ค, รครับขอคุณพรอาจารย์ครับสรรมจิใหม่ อันนี้เริ่มที่สิบเอ็ดสิบสองนาทีแล้วใช่ไหมคราบนมัสกา ร, การค่ะอาจารย์อกี่นาทีนะคะสิบสามนาทีครับอ่าส<บ>ิบสาแล้วนะมากสุดของทีนี้เมื่อวานได้สิห้านาทีครึ่งครับโอ้ดีมากแสดงว่าเรามีความพยายามน ะ, ะถ้ามีความพยายามความสําเร็จก็อยู่ตรงนั้นนะพยายามทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆก็จะนั่งได้นานขึ้น โ okay. อเควันนี้มีอะไรจะมาเล่าเปล่าไม่มีครับก็ไม่เลยอยากจะถามไหม <laughs> มีอะไรถามไหมคะลูกถามเรื่องธรรมะถามเรื่องอะไที่ทิมนั่งไหมตอนนั่งไ <laughs> ม่ีไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่เล่าเอง <c ười> <c ười> คือก็ออาทิตนี้เขาก็เหมือน พอดีจังหวะว่าวเมื่อวานนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็มีอมีประเด็นมีอะไรให้คุยกันนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็แล้วเหมือนเขาก็คิดได้นะคะแล้วมันก็เลยทําให้เขาอาจจะมีความสงบในจิตใจอะค่ะพระอาจารย์เขาก็เลยนั่งสมาธิเมื่อวานนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเวลาเพราะทุกทีเขาจะตั้งทาร์เมอร์ไว้ที่เสร็เสร็จ อ, อลืมเนาะเอาหลอกมาก็รณีว่าทีไม่ตั้งเขาก็เลยนั่งนั่งไปแล้วก็จน แต่เมื่อวานนี้นูสังเกตว่าเออยังคิดอยู่ในใจว่าเออเมื่อวานนี้เขานั่งเรารู้สึกว่าเขานิ่งกว่าในทุกๆวันที่ผ่านมาค่ะเราปรากฏว่าเขาพอเออกปลุกเขาโอ้ไม่ไหวแล้วมาเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาดูนาฬิกาก็เออเห็นว่ามันไปสิบห้านาทีครึ่งเราก็ก็เออก็คือเหมือนอสังเกตว่าถ้าเขาถ้าเขาตั้งเหมือนที่พระเจ้าว่าถ้าเขาตั้งตั้งใจจริงๆหรือมีความพยายามนะคะเขาก็เขาก็ทําได้อนะค่ะพระอาจารย์อืม ยึดตามสติให้ดีแล้วจะนั่งได้นานาได้มีสติอย่าพุทโธพุทโธพุทธไปค่ะว่าหนูก็บอกเขาว่าคือตอนนี้ทีมยังไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมมาถึงให้ทีมสวดมนต์นั่งสมาธิหรือให้ทำอย่างทุกวันนี้ที่ให้ทำะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแบบ คือตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะอยุดจะรู้เองว่าทำไมถึงสิ่งนี้ถึงแบบมีประโยชน์กับทีมมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, <ม>ะก็ก็หนูก็บอกเขาไปอะค่ะอาจารย์แล้วเขาก็แบบมันก็บางอย่างบางทีอาจจะมีเรื่องกระทบกับเรื่องที่โรงเรียนหรือที่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะแต่มันก็สังเกตได้ว่าเขาก็เออก็มีเหมือนเขาก็สามารถที่จะ m ม n a g e หรือจัดการกับ จิตใจได้อะค่ะพระอาจารย์เหมือนว่าแบบเออบางอย่างเรี่ยงชงเขาว่าเออแบบเขามีกูทานะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าแบบไม่ไม่คิดเล็กคิดน้อยอะค่ะบางอย่างก็แบบเหมือนปล่อยวางได้หรืออะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันน่าจะมาจัด ก, การที่เขาได้มีโอกาสพบกับธรรมะคือสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วสิ่งเนี้ยมันช่วยเขาโดยที่ตัวเขาเองเขาก็อาจจะแบบไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะพาาระใจเย็นลมใจเย็นลมฮ ะ, ฮะแล้วก็ไว้ลงร้อยไวกับอารมณ์ต่างๆ คืออาจจะแบบไม่ได้ร้อเอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าถ้าเทียบก็ก็ถือว่าก็ดีนะการพัฒนาการไปเรื่อยๆอย่างเล็กๆน้อยมีมีมีพัฒนาการค่ะอาจารยามทำไปค่ะทุกอาทิจะเข้ามาครั้งหนึ่งค่ะเก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆไปในตัวค่ะก็ก็ก็ยังบอกเขาว่าเออเนี่ยมันหนูก็บอกว่าเออคิดว่ามีเหตุผลนะว่าทําไมเออทิมี่ถึงหนูถึงอ่าได้ ได้สนทนาทํากับพระอาจารย์หลังพี่จะมาจะตีพูดว่า อ, อท่านก็มีกุศโลบายนะว่าอยากให้ทิมได้ฟังพี่เขาแบบท่องหรือว่าอะไรแบบนี้ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ม>็ก็ก็แบบก็เข้าใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ท่องได้หรือยังอาจ า, ารย์ท่าอิจฉาไม่ได้ครับไม่ได้ตอตั้งเป้าหมายก็จะต่อไปนจะท่องให้ได้ไม่ทําให้ตั้งเป้าหมายก็จะไม่ได้ท่องอย่างนั้นก็คืออาจจะท่องได้แต่ว่ า, าจริงแบบ ไม่พอถึงช่วงช่วงท้ายๆอาจจะเริ่มแบบสลับสลับกันนิดนิดหน่อยๆเลยก็พยายามท่องทุกวันหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ท่องอาการทางใจสองต่อเดี๋ยวจะจะลองให้เขาฝึกดูอาจารยไปเดี๋ยวมันก็ได้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ทักทีแต่ถ้าเราฝึกไปใหม่ๆอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆมันก็จะได้มันก็จะติดเป็นนิสัยไปค่ะค่ะทุกอย่างต้องมีการกระทําทำเองกระทำแล้ว มันไม่มีวันที่จะก้าวหน้านะฮะใช่ค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวก็จะลองฝึกกันดูอะค่ะพรอาจารย์โอเคแต่ก็ไม่บังคับนะตามวิปัสสนาถ้าถ้าไม่อยากไม่เอาจริงๆก็ไม่ว่านะันค่ะถ้าอกว่ายอมทดลองดูยอมฝืนใจดูค่ะอ่าก็ดีไปค่ะพรอาจารย์ได้ค่ะพรอาจารย์กลับขอบพระคุณ พ, พรอาจารย์มากเจ้าค่ะที่มา่ึคอยพระอาจารย์ทัดแข็งแรงเจ้าค่ะเอ่า คุณหมอท่านส อ, อ, องท่านหมอต้ากับหมอจำไม่ได้นะไม่ได้เจอหลายอาทิตย์เด็ดครับพระอาจารย์ครับนมัสการครับพระอาจารย์อย่างเดีกันกรครับก็ไม่ไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์อย่างที่พระอาจารย์ว่าครับก็แต่ฟังข้างนอกบ้างบางบางครั้งพอพัวพันเรื่องงานก็อาจจะเข้ามาไม่ทันครับ อ, อย่างที่เคยบอกพระอาจารย์ว่าวันพุธปกติจะมีตรวจช่วง น, นอกเวลาอยู่ครับครับ แต่วันนี้ได้โอกาสเข้ามาค่ะถ่ายเป็นนานต้องยังเข้ามาให้ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะถ่ายกันบ้างมาฟทงเทศทำธรรมบ้างค่ะพระอาจารย์5นที่10นาที่ก็ยังดีค่ะช่วงที่ไม่อยู่ก็มีไปภาวนาตอนช่วงวันมาคาค่ะไปไปกับเพื่อนค่ะไปที่อุบลค่ะพระอาจารย์เป็นไปมา4คืนค่ะอดีไหมดีค่ะพระอาจารย์อืม แล้วก็ได้แบบไปก็คือภาวนาเองแล้วก็แล้วก็จะมีสวดมนต์ทำวัดร่วมกันแล้วก็แล้วก็มีไปปล่อยปลาได้ค่ะได้มีโอกาสค่ะแต่มนต์ทำทานรักษาศีลภาวนาก็ได้ครบชุนได้ครบชุนได้ค่ะถ้าเป็นการอาหารก็ได้อาหารห้าหมู่ใช่ไหมอ๋อก็พยายามเก็บเก็บแบบทานศีลภาวนา ถึง <ừ. S 2> แม้จะภาวนาอาจจะแบบใช้เป็นการเจริญสติอย่างพระอาจารย์สอนระหว่างวันแล้วก็พยายามหาเวลาทําสมาธิค่ะแต่ก็ยอมแล้วว่าช่วงหลังแบบเวลาในการทําสมาธิอาจจะสั้นไปหน่อยค่ะพระอาจารย์ใช่เพราะเวลาทํางานมากมันใจมันคิดมากมันจะลดเบรวันนี้มันยากาแต่แต่จะพยายามไม่ให้มันหลุดออกไปจากวงโคโจรนี้ค่ะพระอาจารย์ดีพยาย ร, รักษาไว้รักษาสิ่งที่เราทําได้นไว้แล้วก็ พยายามเพิ่มสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําให้ให้เพิ่มมากขึ้นมาแต่บรรดาเอาที่ละก้าวไปยังดีก็ไม่ไม่ไม่มีการขยับเขยื้อนเลยไม่นั่งก้าวพูดผลาดเอาที่ละก้าวสองก้าวไปตั้งขึ้นมาขึ้นข้าพยายามจัดสรรเวลาให้มากขึ้นครับอาจารย์อย่างที่่บางทีว่างานทางโลกก็ทําไปก็ มันทําไม่หมดจะดีครับอาจารย์แต่ว่าคำถามเดียวว่าตายไปแล้ ว, ล ว, ลว<ช>เอาของคนนี้ไปได้หรือเปล่า<ช><ช>ครับผมถ้าเป็นแทบตายสมมติตายวันนี้จะทำํำไงของเที่ต่างๆที่เราหามาอยู่นี่คร<ช><ช>ับกลายเป็นของคนอื่นเข้าไปหมดนะครับครับอ<ช>่มันก็บางทีมันก็อาจจะมีลักษณะบทบาทหน้าที่ที่มันเข้ามาตามวัยยุทธเราด้วยครับ บางทีเราก็บางอย่างก็ไม่ได้อยากทํานะครับอาจารย์ก็เดินด้วยแต่ว่าด้วยความรับผิดชอบด้วยอะไรแต่ก็พยายามจะจะปฏิเสธบางงานที่ที่เราอาจจะคิดว่ามันจะสูญเสียเวลาไปไปเยอะครับก็ก็พยายามอยู่ครับพยายามจัดให้มันเหมาะสมอยู่ครับอาจารย์จะได้มีเวลาสําหรับทา้งทามากขึ้นครับอาจารย์ใช่งานทํางทำนี่สำคัญงานงานทั้งโลกจช่เพราะว่างานทั้งทานี่เราติดตัวไปได้นะเอาไปกับใจเราได้ งานท้งโลกเนี่ยไปไม่ได้ของทางโลกที่หามาได้นี่ก็ต้องทิ้งไปหมดครับค่ะพระอาจารย์ค่ะจะภาวนาภ้วนาค่ะขอให้พระาจาร์ทัดขันแข็งแรงคพระอาจารย์ไปที่แมรีแมรี่แดนแดนของคุณแมรี่มินจิ ค่ะ น, นักเวสกค่ะอาจารย์ยงก็ขับรถพอดีต้องออกมาซื้อโดนัทใหออฟฟิศเขามีงานเอ่ะะอเซนต์แคทริคเดย์ค่ะอ๋อใส่สีเขียใส่สีเขียใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยยงอ้าเมื่อวานมันคือเมื่อวานจริงๆเมื่อคือเมื่อเมื่อวานน่ะคือวันจริ ง, ๆ, รงๆของเขาแต่เผอิญว่าวันนี้ที่ออฟฟิศยงเขามีเลี้ยงอาหารให้พนักงานทุกวันพุธ่ะค่ะอ๋อเขาก็เลยเลื่อนมาจัดวันนี้แทนเป็น<า>วันพุธเจ้าของก็เป็นนายวิเชีย ไม่เป็นโยมไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าน่านจะมีนะคะคื อ, อคือบริษัทห ล, หลักๆเขาอยู่ที่แมรี่ อ, อที่เท็กซัสอะค่ะแต่ว่าเขาก็ให้โคต้าแต่ว่าเพาเอินว่าสาขาของโยมที่ที่แมรี่แลนด์นะคะหัวหน้าละหัวหน้าที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เขาเขามีเชื้อไอลิสด้วยอะคะ่ะส่วนใหญ่เหมือนเหมือนคนยุโรป คนขาวส่วนใหญ่จะมีเชื้อไอริชอยู่นะคะโยมคิดว่าไอริชเนี่ยแต่อิตาเลียนเนี่ยวพวกนี้ อ, อพยพไปอยู่ทางอเมริกาขนาดอาจารย์เชื่อไหมคะขนาดเพื่อนโยมเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะแล้วเขาไปตรวจอะไรเนี่ยคือเขาไปซื้อแพ็คเกจที่ร้านขายยาแถวเนี้ยค่ะแล้วเขาสามารถตรวจ ไปดูต้นตระกูลเขาได้อนใช่ค่ะเขาไปตรวจยังไงเลยนะคะขณะเขาเป็นคนฟิลิปปินส์เขาบอกเขามีเชื่อไอริชด้วยโคมก็ไม่ ไ, ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราไม่้องตรวจเราไม่ลองตรวจด้สิว่าไม่เชือ่อไม่เชือ่อเขาไมม่เชือ<ม>่อเราหรอใช่ใช่โยมก็ว่ามันก็คงะสมผสมมั่วๆไปแถ่ๆเนี้ยแต่ว่าไอริชโยแบบเออยไม่เห็นตัวเองม่เชื้อฝรั่งเลยไม่เห็นนะ พ่อกับแม่ก็ไม่มีใครในที่ในบ้านที่เกิดมาดูแบบว่าเป็นแบบไม่มีนะคะไม่มีใครสูงแบบว่าเทียบเท่ามาตรฐานฝรั่งเลยพระอาจารย์ก็คงไม่มีอาจจะมีทางราหรือทางเกาห็นมากกว่าใช่ค่ะอาจจะน่าสนใจถ้าเกิดแบบว่ามีเชื้อรัสเซียอะไรอย่างนี้แบกว่าเออน่าสนใจอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทราบไปทําไมนะคะพ่ะอาจารย์ก็แบบ ก็เป็นเรื่อเป็นความความอยากรู้อยากเห็นของคนโชกคงอย่างนั้นนะคะเขาคงอยากรู้อยากเห็นไม่งั้นเขาคงไม่ขายชุดไอเครื่องตรวจแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่คือคนที่นี้ชอบตรวจกันนะคะพระอาจารย์ชอบไปซื้อมาตรวจแบบว่าโยมก็แบบมาตรวจไปเราได้อะไรอ่ะยูอยากรู้ไปทำไมหรอแบบว่ายูแล้วถ้าแอกว่ายูตรวจแล้วยูไม่พบสมุนไพรนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้แบบว่าดู เฉียดชาเลยถ้าเกิดบางคนแบบตรวจแล้วมีเชื้อยูอะ่ะแล้วก็ไม่ยอมรับ ว, ว่าเป็นยูอย่างเงี้ยว่าจะตรวจทําไมอะ่ะ mm hmm. แล้วก็เไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็ไม่ได้ไปตรวจอะไรอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญแล้วแล้วช่วงนี้แบบชามันก็แบบอย่างสงครามเยอะแลยเกินยมก็เลยแบบแค่ตอนนี้กลัวอะไรประคะพัสซานแค่กลัวว่าเราจะปฏิบัติทานไหม <laughs> เกดมาเพื่อมาล่มมาที่ที่อเมริกาตอนนี้กังวลเรื่องน้งนํามันเนยจะมีใช่หรือเปล่าไม่มีรู้สึกว่ามีมมมยเยอะแยะคือโยมอะค่ะโยมไม่ได้ตามข่าวเลยค่ะพระอาสารย์เอาเอาแบบอา่าเขาเรียกอะไรครับเอคอนเฟสเขาเรียกอะไรเับสารภาพกับอาจารย์ตรงๆเลยว่าโยมไม่ค่อยได้ตามข่าวการเมืองที่นี่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า ตามก็ตายไม่ตามก็ตายอยู่ดีอะค่ะก็เลยแต่เรื่องน้ำมันมันเรื่องใกล้ตัวก็ไไม่แต่เรื่องน้ามันเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันขึ้นทุกวันทุกวันราคาขึ้นแต่ supply ยังมีอยู่ยังมี supply ยังมีนะคะเขายังไม่เห็นประกาศเป็น emergency ว่าแบบคือยมคิดว่าถ้าเขาเขาเป็น emergency เมื่อไหร่เนี่ยเขาคงให้ทํางานที่บ้านนะคะอที่เมืองไทยต้องเลิกทางานที่บ้านกันนะไปจ่ายปํามก็บางทีปั๊มน้ํามันก็หมดใช่ค่ะ โยมก็คิดโยมก็เห็นว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นสไตล์แบบอาจจะให้คนทำงานที่บ้านมากขึ้นโรงเรียนก็อาจจะให้เรียนออนไลน์มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันต้องประหยัดใช่มันต้องประหยัดน้ำมันแต่โยมว่ามันก็พูดถึงอะคะ่ะมันก็มีแง่ดีที่ว่าถ้าทุกคนทำงานที่บ้านพอลูชันของเมืองไทยมันก็จะลดน้อยลงใช่หมคะอาจารย์เหมือนช่วงโควิดค่ะโยมก็รู้สึกว่าในแง่ร้ายมันก็มีแง่ดีว่า อ่อมาเตอร์เอเจนซ์เขาเรียกอะไรค่ะแม่ทําผู้ผู้ผู้สร้างผู้ผู้สร้างธรรมชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะอยากให้เรารีเซ็ตใหม่ก็ได้เป็นสภาวะที่ดีขึ้นในการเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามมองในแง่ดีเข้าไว้ค่ะอาจารย์อมีทั้งดีทั้งไม่ดีทุกอย่างคู่กันไม่ ใช่ถูกต้องค่ะแต่ไม่ดีคือน้ํามันมันแพงมากค่ะอาจารย์ที่นี่มันก็ขึ้นขึ้นขึตลอดเลยใช่ได้ ไ, ดไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถาวรถบ้างก็รถซีอีโูใช่ค่ะแต่ยมก็ต้องขับอยู่ดีอะค่ะตําแหน่งนะที่โยมต้องมาทําที่ออฟฟิศอะค่ะพระอาจารย์มยมเติมน้ํามันทุกอาทิตย์เลยแต่ก็แ่บทําไมทําไม่แบบว่าสร้างสงครามแล้วขึ้นเงินเดือนให้ทุกคนตามน้ํามันด้วยเนาะ <laughs> มันคงจะดีแบบว่าให้ค่าน้ํามันมาเป็นค่าผ่าค่าเงินเดือนมาเป็นค่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ก็แต่ก็ก็ก็ตามก็คือแค่ฟังแบบโยมก็ฟังจากข่าวจากเมืองไทยมากกว่าค่ะไม่ค่อยได้ฟังแบบเหมือนถ้าคนไทยสรุปอะไรใหม่โ ย, ยมก็จะฟังแบบถ้าเป็นข่าวของอเมริกาเหมือนกับบ้านโยมไม่ได้ติดเคเบิลทีวีอคะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ตามเลยอะคะ่ะไม่ได้ตาม <c oughs> เพราะว่าไม่ได้อยากไปเสียเพิ่มตรงนั้นนะคะ ค่ะรพัชจานทร์สบายดีนะคะเช่สบายดีเจ้าค่ะบังคับรพัชอาจารย์ก็ยังคือบินธบาตเหมือนเดิมทุกวันใช่ไหมคะใช่ยังบินทบาลรอยู่ไม่ประหยัดน้ํามันยังนะคะย่าโยมคงแบบต่อให้น้ํามันแพงก็จะต้องมาใส่บาทพระอาจารย์แน่แน่โยมเป็นโยมอยูก็ต้องทําค่ะค่ะ ก็ยังยังมาคอยถวายค่าน้มันให้อยู่เรื่อยๆอ้สาธุค่ะนุโมทนานะคะก็ค่าดีค่ะพระอาจารย์เนี่ยก็พยายามกลัวเพราะแค่สงค่ามันจะเกิดแค่แค่คิดว่าวิถ้าเกิดเราใกล้กับอ่ไวายเฮาส์ด้วยถ้ามันระเบิดเราก็คงถึงเราเนี้ยแหละค่ะแต่เราจะมีมเวลาปฏิบัติหรือเปล่าแค่กลัวตรงนี้แบบว่าไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีกินหรืออะไรนะคะแค่แบบ เราจะปฏิบัติทานไหมจะตายกี่วันเนี่ยจะจะปฏิบัติทานหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ย <Yeah. S 1> ค่ะอ่าก็ก็เป็นไปตามความกลัวของมนุษย์นะคะพระอาจารย์อ่าค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะโยมคิดว่าสลินทอนน่าจะเข้ามาด้วย <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่าโอเคค่ะค่ะเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเขาก็เข้าตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยนะพระอาจารย์ yeah. Yeah. เขาบอก <Yeah. S 1> ทำไ ม, มใช่ใช่โยมก็บอกเอ่า คุณคุณคุณสลีนสอนเขาเริ่มเก้าโมงเช้าของที่นี่จ้ะอ่าก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวได้คุยกับเขานะคะพระอาจารย์ก็ขอพระอาจารย์และทีมงานท่านขันแข็งแรงทุกคนแ่สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวโยมงั้นโยมขอลาออกอ่าขอออกไปฟังข้างนอกนะคะเผื่อคนอื่นจะได้เข้ามาแทนค่ะพระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงนะคะฝากถือขอถือค่ะอ่าไปที่อาจารย์พรหมพิลายนกคนนนกุล เอกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ครับอ่าอย่างเสียงชัดเจนอยู่ยังใช้ได้อยู่ดีใจที่ได้เจออีกอาทิตย์อเป็นโบนัสเอต่อยุเอาแอเคอาทิตย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่อเอ่อต่อยาวนานอาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต้องก่อนเขาจะไม่ให้ต่อ ต่อรอรอลุ้นไปเรื่อยๆค่ะอืช่วงหลังๆก็รู้สึกดีใจที่ได้เจออืแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ที่ผมได้เจอบ่อยที่สุดได้พบผอาจารย์ได้ดีได้ออนไลน์เหมาะบ่อยที่สุดได้เข้ามากราบด้ยค่ะเราก็มารับฟังธรรมอ่าดีค่ะก็ก็มารีธรรมะอามีธรรมะรักษาใจนะให้ใจอยู่อย่างเงียบเงียบเป็นสุข กลับพบคุณค่ ะ, ะสาธุไปเจอหท่าแข็งแข็งแรงไหมค ะ, ะสาธุไปที่คุณแน น, ณนอุดรธานีน้องการนามสกุลพระอพจารย์รู้ไม่มีคำสารสจ้าค่ะโอเคเอ็นไปที่คุณยอมยุดเย็นคุณปังว่าอะไรกราบนามสการค่ะยอมยุดเย็นจริงๆนะพระอาจารย์ เช้านี้ค่ะก็มีเรียกพนักงานในแผนกคุยแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการทํางานค่ะหนูเห็นเมสเซจที่มันเกิดที่มันป๊อปอัพขึ้นในไลน์ค่ะก็เป็นมันเป็นเหมือนกันแบบไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทําตามคําสั่งหนูก็เลยเรียกพนักงานคุยแทนการสื่อสารทางไลน์แล้วก็ระหว่างนั้นที่คุยกันนะคะพยายามพยายามปรับให้มันเป็นผมวิหารสีเข้าใจความ ความคุนข้องมองใจของเราเข้าใจความไม่พอใจของของพนัก ง, งานในทีมตอนนั้นรู้สึกดีค่ะว่าเรากำลังกาลังพยายามอยู่พยายามไม่ให้โกรธเด็กๆ ก, ก็พยายามจะนิ่งๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วหนูก็ใช้ใช้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะสอนน้องสอนพนัก ง, งานเราก็ปรับให้มันเป็นเรื่องที่เด็กๆ เ, เขาหัวเราะได้สุดท้ายแล้ว ส, สายๆค่ะหลังจากประชุมแล้วก็กลับมาเป็นปกติสิ่งที่เห็นคือเห็นความรู้สึกอะค่ะว่าเรากําลังรู้สึกอะไรเรากําลังคิดอะไรเหมือนดัดการดูจิตไหมคะอาจารย์อืมค่ะแล้วก็เมื่อประมาณสองประมาณสี่ห้าวันที่ผ่านมาก็เอร่างกายมีบาดแผลเป็นที่ที่มือะคะ่ะก็ใช้วิธีเดียวกันคือมันรู้สึกว่าเจ็บเจ็บ ท, ที่นิ้วมือแล้วก็ไปดูปรากฏว่า น่าจะไปโดนอะไรสักอย่างนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เลือดมันก็ไหลค่ะมาแล้วมันก็มีชีพรจรมันก็จับตุกตุกตัวค่ะแต่ตอนนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันที่พระอาจารย์สอนก็คือรู้ให้ว่ามันเจ็บแต่ว่าใจเราก็นิ่งๆค่ะมันก็มันก็เข้าใจค่ะว่าว่าวิธีการที่เราเราอะไรนะคะ่ร่างกายคือร่างกายจิตใจเราก็อยู่อีกอีกที่หนึ่งค่ะมันเป็นยังไงต <c oughs> อ น, นก็ค่ะ <c oughs> หนูก็เลยเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวกะ ว, ว่าจะไปเอาหนังสือที่ใต้จากพระอาจารย์มาทาตรู้ว่ะค่ะก็มาอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัติเรื่อยๆ อ, อยากได้กันบ้านแบบนี้เรื่อยๆค่ะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วพอพอเราพอเราเรียนกับพระอาจารย์เพิ่มมากขึ้นแล้วทํากันบ้านอ่ะมันก็จะเข้าใจทุกมันต้องมีชุกตัวอย่างสามารถมองใช้ปัญญาอย่างนี้ได้ค่ะตอนนี้หนูพร้อมรับค่ะพระอาจารย์ พอจะได้รู้จะได้รู้ว่าผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านก็รอใหม่ถ้าถ้าทุกมาใหม่เราผ่านได้ก็จะรู้ว่าเราเราก็จะผ่านอีกสเต็ปหนึ่งค่ะอาจารย์ก็ไม่เดือดร้อนค่ะอยู่อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจในในความเป็นไปทุกขังอันนีจังนาตาไม่แน่ไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายใจเราต้องไม่ทุกข์กับมันค่ะอ า, าจารย์รับทราบค่ะหนูจะนําไปปฏิบัติต่อค่ะอาจารย์ แต่ว่ า, าลุกไปอืมคะโอเคดีขอบพระคุณคะระบอาจารย์อะไรที่คุณสาธิกาชัยนะมาลุกฟังธรรมจ้ามาสังเกตองค์อาจารย์ปฏ <c oughs> ิบัตรนะตีขึ้นค่ <c oughs> ะค่ะสบายดีนะพฤติกรรมดีขึ้นนะปฏิบ <c oughs> ัต <c oughs> ิตามทานศีลภาวานาไปเรื่อยๆกับอาจารย์ เพราะว่ามันก็ภาละมันก็ไม่มไแยไหลก็เหลือแค่พ่ อ, อเอาเมตามาใช้ดีกว่าเอากิเลสมาใช้นะอ่ะอืมโอเคไอ้ที่คุณจุ๊บต่อโกเบนวัฒการพ ร, อรนนอะรอะาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงวันนี้มีอะไรั้มอ๋อพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูก็เช่นกันค่ะหนูได้ได้ เข้ามาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ครบสามปีแล้วเจ้าค่ะวันค่ะวันที่แดมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟีดขึ้นในเฟซบุ๊กของของโยมอะค่ะ<อ>เป็นเฟซบุ๊กตอนที่ที่โยมมีปัญหาเกี่ยวกเกี่ยวกับที่ทำงานนะคะที่ว่าไปเดินสิบกิโลทุกมากเลยตอนนั้นแล้วก็ได้เข้ามาซูมครั้งแรกกับพระอาจารย์ค่ะที่ถามแล้วพระอาจารย์ก็ถามโยมว่า ก, ก็สอนโยมว่าให้ให้เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้หรอก จะเปลี่ยนส้มเป็นแตงโมก็ไม่ได้อะไรอย่างเนี้นนะคะ่ะอาจารย์ก็ตอนนั้นเอาไปใช้ดีดเอาไปใช้ดีดีมากเลยเจ้าค่ะอก็จําได้ว่าคือโยมเนี่ยได้เรียนธรรมมาจากพระอาจารย์นี่ก็เหมือนกับว่าจากร้อยเปอร์เซนจากพระอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะโยมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยเจ้าค่ะแม้แกระทั่งคําว่า วิปัสสนาโยมยังเกือบจะเอามาถามพระอาจารย์ในในซูมเลยค่ะอาจารย์แต่ตอนนั้นโยมแบบ เ, เดี๋ยวรอฟัง พ, พี่เขาไปก่อนดีกว่ามันแปลว่าอะไรอะไรเนี้ยค่ะแล้วกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่สอนโยมมาได้สามสามปีแล้วมันจริงส่วนอย่างเราก็สามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้ต อ, น, อนนี้มีมือถือใส่เข้าไปวิปัสสนาเขาจะเออก็จะป้อนข้อมูลทั้งหมดอเด่า มีปาสนาให้เราได้เรียนรู้เหมือนสามปีที่แล้วเอไอมันยังไม่ยังไม่มาค่ะยังไม่มาค่ะอาจารย์ถ้าหาก็หาในกูเกิลกูเกิลก็ยังพยายหาได้อยู่หาได้ค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันก็เกียรติเกียรไม่อยากจะหาค่ะก็หาอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่มันจําแต่ไม่ใช่จําไม่ได้ทมันมันไม่รู้เรื่องค่ะพระอาจารย์แล้วไม่เข้าใจใช่ค่ะมันไม่เข้าใจถ้าหากคนมาไปค่ะ ถ่ะมาคนมาไปอีกทีก็เนี่ยค่ะทำมาทั้งหมดที่ที่ที่มาเป็นตัวหนูทุกวันเนี้ยก็ได้จากพระอาจารย์ล้วนๆนะคะก็กราบขอบพัะคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะเจ้าคะ่ะรู้สึกดีขึ้นมาเลยเนี่นจิตใจก็ตอนนี้แหละเจ้าคะ่ะทุกต่างๆนี่มันไม่ไมาไม่มีผลกับหนูเลยอะคะ่ะพระอาจารย์ออีกอย่างรับได้หมดนะรับได้รับทุกสิ่งรับได้อีกอย่างมันมันมันมามันมาประดิประดังเข้ามาอย่างลูกที่ไม่สบายอย่างดีก็เป็น สต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มันก็มันก็ธรรมดาไปเป็นเรื่องธรรมดาไปค่ะจนจนบางทีอาจจะมีคนคิดว่าหนูโกหกหรือเปล่าแต่ก็คือเราก็ไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปแบบกังวลว่าเออมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่กับใจของเราอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องไปไปแบบตอบใครอีกอย่างหนก็ไม่ได้อยากไปเล่าให้ใครฟังถึงความทุกข์ของเราอะ่ะค่ะอาจารย์อื เราเรารับได้ของเราอย่างนี้แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดแค่นั้นนะคะพยายามรักษาใจเราทั้งนั้นเลยใจเราไม่ทุกข์ก็มันได้ก็โอเคแนละ้วค่ะอาจารย์ก็กขอบพคุณเจ้าค่ะอ่าขอบคุณพระพาศาศาุทธเจ้าเราเป็นเพียงบุตรไปสษ่ีใดค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์หนู<ม>ตอนนี้หนูก็ยังอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มอีกไปเรื่อยๆนะเจ้าคะพระอาจารย์นี่เรียนไปด้วยต้องปฏิบัติไปด้วยควบคู่กันค่ะ ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่คะพระอาจารย์ดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนุษาเวาที่ว่าเอานมัสการกับพระอาจารย์เปมนยังไงผมสบายไหมผมท้อนร่านเลง่ายดีค่ะอาจารย์พอดสระผมไม่ต้องหวีครับเตยเตยเลยเฉดเลยเ็ดเฉดหน่อยไม่แห้งเลยไม่ไม่เฉดแล้วค่ะอาจารย์เอามือปัดไปสบายๆหน่อยไม่แห้ง ก็เลยบอกว่าก็ยมนึกถึงเพื่อนผู้ชายคนนึงบอกว่าหน้าเหมือนแกนเลยแดงยมก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยมก็โอเคกับผมรู้สึกมันแต่ว่านิยมก็ไปตัดให้สั้นขึ้นพอเดิมมันลุยล่ยรายค่ะอาจารย์ยมก็ไปตัดืมาแบบช่งผู้ชายทำไมไปตัดที่ร้านผู้ชายได้ ย, ยมก็คิดว่ายมน่าจะตัดร้านผู้หญิงมากกว่าเพราะว่ายมไม่ก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับเขายมยมรักษาข้อนี้อยู่ค่ะอาจารย์จะสิ้นเปลือยูงนะ ใช่คะ่ะโยมก็อาจารย์บอกให้โยมสื้อตลอดชีวิตโยมก็ตั้งใจว่าตลอดชีวิตแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ร้านตัดผมผู้ชายก็มีผู้หญิงเป็นช่างตัดผมอยู่ที่นี่ที่นี่มันไม่ค่อยมีคะ่ะอาจารย์น้นำผ ม, ผมค่ะนี่โยมแม่ลูกศิษย์ตัดให้บอกตัดไปได้เรื่อยค่ะดีไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็พูดเป็นเชิงค่ะตอนนี้เราเป็นเหมือนผู้ชายแล้วผมเราเนี่ยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เหมือนแล้วค่ะอาจารย์เหมือนแล้ว <c oughs> ค่ะตอนนี้ที่แวงน้ํามันหมดปั๊มแล้วค่ะอาจารย์อ๋อค่ะเรส่งใบไม่ทันไม่ใช่มันไกลมันมันน่าจะคนตหนกกับการไปเติมน้ํามันใช่แลไปประกาศตรงนั้นให้มาใช่ค่ะใช่น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะน้ํามันเขาก็มีมาเรื่อยๆตามรอบเขาแต่คนไมอใชหาตกใจนี่ก็มีรถสามคันก็เอมาเติมมันเติมทั้งสามคันเลยแต่ตอนนี้เขาให้แค่รู้สึกว่าห้าร้อยบาทหรือไงเนี่ยค่ะห้าบาทแบงค์กัน ค่ะส่วนสวนโยมอ่ะยังจองจองขึ้นเขาเดือนเมษาใช่ไหมคะมก็กังวลอยู่ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าเที่ยวบินเคขาโทรมาแจ้งปรับเวลาจะมาได้เข้ามามาไม่ได้ก็ไม่ลงมาค่ะทา่านเนี่ยตอนนี้โยมโยมจองไว้แล้วล่วงหน้าไงคะจารย์แล้วก็เที่ยวบินโยมจองเอาไว้แล้วก็ทางบริษัทเขาโทรมาขอปรับเลื่อนเลื่อนไฟบินนะคะอืมก็ ก็รอดูและกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันคใั่มันเป็นสิ่งชนวิสัยไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่ยาวเนี่ยไปทำแต่ยงก็ ไ, ไปรถไฟแทนได้ค่ะอาจารย์ไปรถไฟได้อยูค่ะก็ที่ผ่านมานะคะอาจารย์ยมยมมาพลาดตรงที่ว่าลองของ <c oughs> คือไปแพ้พ้ากับกันวิสูกรถศาสนาค่ะอาจารย์ไปดูเรียนแล้วก็ไปดูคลิปอะค่ะแล้วก็ รู้สึกเอ้ยมันผิดนะเราผิดสีนะสีระบบพร่อมแบบนี้แย่เลยนะก็เลยไปคุยกับเอว่าเรารู้สึกแย่จังเลยเขาบอกว่าก็ลองลองปรับดูลองใช้เวลาดูยมก็พอายเพ่งแล้วก็มาอ่านของธรรมะของอาจารย์บอกว่าถ้ายังไม่พร้อมอย่าไปพึ่งขึ้นสังเวียนประมาณว่าเรายังไม่เก่งจริงๆแล้วอย่าเพึ่งไปลองของประมาณนั้นนะคะอาจารย์แล้วก็ยมก็เลยเอาใหม่พยายามใหม่แล้วเพิ่งมาได้คําตอบมาตอนเย็นในตอนอาบน้ําค่ะว่าใช้ใช้อสุภดูสิ คิดขึ้นมาได้ค่ะอาจารย์ถ้าเราโยมฉช้<ม>อสุภเพ่งไปตรงนั้นแทนจะได้ไหมคะมันก็ลองดูเดี๋ยมันจะเกิดผลยังไงตามไอใค่ะโยมโยมก็จะลองดูว่าเราจะมาดูใหม่แล้วก็ดูเป็นอสุภะไปให้หมดแล้วก็มันจะได้ตัดไปได้แต่ว่าศีลแปดโยมโยมมาแพ้ตรงนี้อันเดียวยมมันก็ประมาณลองของคอาจารย์ว่าเราได้หรือไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ<ม>เราก็ยังไม่เก่งจริงค่ะอาจารย์<ม><ม>แล้วก็ต้องเดี๋ยวจะขอใช้เวลาปรับมันอีกหน่อยค่ะ แล้วก็มีเขาต้องมีการลองเผ็ดลองถูกบ้างค่ะคือมันบางทีเราคิดว่าเราได้อ่ะค่ะจารยนเราก็เราลองดูว่าใช่ไหมจริงไหมลองของดูแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่แกข่งพอที่จะไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาแข่งกว่าเราะะอะ<ำ>ค่ะอืฝึกซ้อมไว้ก่อนฝึกซ้อมไว้ก่อนใช่แสดงว่าโยมก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ไม่ถึงไม่ถึงกับพร้องมากใช่ไหมคะก็นักปฏิบัติก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองค่ ะ, คะ ขึ้นขึ้นขึ้นสังเวียนแล้วจะมาถามโค้ชอยู่ข้างล่างแต่ทำอย่างนี้ดีไหมมันไม่ถันการแล้วคือโยมขึ้นสังเวียนโดยที่ไม่ขออนุญาตนี่ค่ะยมลองก่อนขึ้นไปล้ก็ต้องเอาแล้วอะไรใช้ได้ก็ใช้มันเข้าไปใช้เข่าได้ใช้ส่าได้ก็ใช้เข้าไปค่ะจะมถามถามโค้ชใช่อย่างนี้ดีไหมไม่ดีไหมไม่ถันการเท่าไหะ่สาธุค่ะจ๊ะโยมรู้สึกโยมก็โยมก็กังวลนะคะโยมรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าไม่เป็นไรล่ะก็ดูพระพุทธเจ้าทั้งนั้ต้องเล่าผิดเล่าถูก คนข้าวทุกสี่สเก้าวันนค่ะแล้วก็โยไม่ได้คําตอบว่าตอนเย็นตอนอาบน้ําเสร็จก็มันผุดขึ้นมาได้ไ่มใช้เพ่งอสุภาษีเอฮ้ยทำไมเราไม่ใช้ตรงนี้เราไม่ทํำไมเราพลาดตรงนี้ไปค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะลองกิเลสมันไม่ชอบให้เราเพ่งไงกิเลสมันชอบให้เราดูแต่เขาสวยๆเขา ง, งามแต่ว่าแต่ว่าตอนดูเขานะคะอาจารย์เราเหมือนเราเพ่งไปดูเฉยๆดูเพ่งไปเฉยๆแบบนั้นนะคะอาจารย์มันมันก็ไม่ได้ว่ามีอารมณ์ร่วมอะไรไปแบบนั้นมากๆอะค่ะอาจารย์ก็ อะไรแต่ว่ามันก็เป็นบททดสอบอีกบททดสอบหนึ่งที่เอามาใช้ได้อยู่ใช่ไหมค ะ, นนะงั้นเราทดสอบเอาต้องไปสู่นัยเองทํคาคาตอบด้วยตัวของตัวเองจะได้มีความมั่นใจกว่าอ๋อค่ะเพราะข้ออื่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรคะ่ะอาจารย์ไม่เพราะว่าเรื่องแต่งกายเครื่องหอมเครื่องสวยงามไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ไอเครื่องสวยเครื่องงามมันจะไม่ได้เอามาใช้เสื้อผ้าสีสันอะไรก็ไม่ไดเอามาใช้นอกจากว่า อยู่บ้านแล้วก็เสื้อที่เชิดสีแดงอันนี้อาจจะมาใช้บ้างแต่ถ้าสวยโดยตั้งใจนี่ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีอยู่ตรงนั้นแล้วเน่แล้วก็เอมีอยู่วันหนึ่งค่ะอาจารย์ยมนั่งนั่งภาวนาแล้วก็มันมันเหมือนกับมีอาการชาใช่ไหมคะมันเป็นมันิบชามันมันก็ไม่ได้ทุกอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากเลยแต่นี้รู้สึกว่ามันเรารู้ว่ามันเจ็บรู้สึกว่ามันเลือดไปเลี้ยงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ พอยมนั่งถอนออกจากนั่งภาวนาแล้วยมถอนมายมก็มาดูความปวดของมันดูว่าอ๋อเลือดไปเลี้ยงไม่ได้มันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเราจะตายสมมุติว่าเราจุกถูกตึกทับแบบปึกถล่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีอาการแบบนี้ที่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยเรื่อยเื่อยยมก็สงสัยว่าถ้าการยอมของเรายอมแบบจำยอมกับยอมแบบปล่อยวางนี่ค่ะอาจารย์มันมันไม่เหมือนกันใช่ไหยคะ เมันมันก็ยอมจำยอมมัยังไงคือมันเหมือนว่าเราหมดทางสู้แล้วเราเราเราเอามันก็คําตอบอันเดียวเหนะคะอาจารย์เราเราไม่ได้โลนแล้วเราปล่อยแล้วเราวางไปเลยแบบนี้ได้ใช่ไหมคะก็อยู่ที่ใจทุกข์เมือไม่ทุกข์ตัวนั้นเป็นตัววันครับถ้าปล่อยจริงๆมันก็จะไม่ทุกกับร่างกายแต่มันมันก็ไม่ได้ทุกนะคะนั่งดูเข้าไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆยกแล้วก็ อ๋อมันเป็นแบบนี้แต่นั้นคือออกจากภาวนาแล้วนะคะนั่งดูอ๋อถ้าเราถูกตึกถล่มทับเราจะต้องเป็นแบบนี้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้แบบนี้แล้วก็ธาตุน้ํามันหยุดไปแบบนี้อะไรคิดไปมันแบบนั้นค่ะอาจารย์มั น, มนเป็นยังไงก็ก่อนสําคัญอยู่ที่ใจเราทุกข์กับมันหรือเปล่าอ๋อสําคัญที่ใจที่คือมันไม่ได้เป็นทุกข์คะ่ะแต่ว่าไปเพ่งดูเฉยๆว่าคูณจะทำใทุกข์ ก, ก, ก, ก็ก็ใช้ได้การปฏิบัติของเราเนี่ยก็เพื่อดับความทุกข์ทางใจนั่นส่วนเรื่องของร่างกายเราไป ไปไปทำาะไรมันไม่ไ ด, ไมได้มันต้องเป็นไปตามเหตุนลาการต่างๆอย่างที่เราใ จ, จรับใจรบับมันได้ป่ะไม่ทุกกับมันได้ป่ะสำคัญที่สุดตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ออก็ก็ก็ได้อยู่ค่ะอาจารย์ถ้าแบบนี้ก็ก็ก็ดีใจค่ะอาจารย์ออรู้สึก ยมต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เช่นกันค่ะ ก, ก, กับทุกๆคนที่เข้ามาตอนนี้ค่ะอาจารย์ถ้ายมไม่เจออาจารย์ปัตตินิยมก็ไปเพ่งดอกไม้เพ่งไฟเพ่งน้ำไม่รีดเปลี่ยนแล้วล่ละค่ะอาจารย์ทำไมเน่จะไปถึงนิ่ผานก่อนก็นได้ <laughs> สาธุค่ะอาจารย์โอเคขอบพระคุณพราจารย์นะคะสาธุบูเตต่อ ผมไปนี่เจอธรมอษษษธรมโอชวนะในธรรมโอชวนกลับนมรดการค่ะ อ, อู้พระอาจารย์หนูได้ของดีจากการปฏิบัติลุยฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย<ม>์พอดีหนูขาดตัดเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วลาป่วยบ่อยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันมีปัญหาคือแบบเปิดตา ม, มาแล้วทุกกายพระอาจารย์ทําให้ใจไปร่วมด้วยแล้วก็ลาป่วยบ่อยแต่พอมาลุยฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ค่ะมันเลย เลยเห็นว่าไม่ค่อยได้ลาป่วยเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะพระอาจารย์ก็เลยแบบเฉยๆกับร่างกายได้เลยค่ะพระอาจารย์อใจไม่ป่วยใจไม่ต้องลาป่วยโอ้หนูก็เลยว่าโอ้หนูเพิ่งเห็นธรรมะโอสถแบบของดีแล้วของจริงเลยละค่ะพระอาจารย์หนูก็เพิ่งเข้าใจคําว่าธรรมะโอสถยาใจอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่หนูอยู่แต่ยาที่แพทย์สั่งมาให้รักษาเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ยาทางร่างกายเจ้าค่ะพระอาจารย์ ประเด็นถึงหนูไม่มีอาการชักด้วยนะคะถึงผ่าสมองเยอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ก่อนหนูก็แบบหนีเข้าสมาธิประจะําค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าเปิดตา ม, มามันเจ็บตายเนี่ยแหละคะ่ะแต่พอได้ฟังทำเจ้าพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นว่าปั๊ดใจทิ้งกายมีจริงด้วยอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์อืก็เลยแบบได้ของดีทางใจะคะใ่ะพระอาจารย์ไมนต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าใจเราปล่อยร่างกายได้ เจ้าขาพระอาจารย์ขึ้นรถมีก็แต่ว่าขึ้นรถมีหนูก็มีทดสอบแบบเปิดตาขึ้นก็ไปได้อยู่ค่ะพระอาจารย์จะส่วนใหญ่เข้าสมาธิดีกว่าค่ะพระอาจารย์สบายกว่านะสบายกว่าค่ะ <ขา S 1> <ห>พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็โชคดีที่ว่าลืมตามาปุ๊บลงรถได้ทันค่ะพระอาจารย์ไม่เลยป้ายค่ะพระอาจารย์แปลว่ายังองเคเมิกขาไม่มากพอที่จะเปิดตารับนิ่วเส้นงนนิ้วทางข้าง ค่ะพระอาจารย์ต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ฝึกตายรัดพิจารณาถึงตายัดไปให้หมดแล้วค่ะพระอาจารย์เราห้ามเขาไม่ได้เราเลี่ยนเขาไม่ได้เจะเป็นเราค่ะต้องยอมรับเพีงลูเดียวแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะแ้ก็รุปฏิบัติเรื่อยๆเลยเจ้าขาพระอาจารย์โอเคดีเจ้าาอจาคุณยินดีอ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีของถารการเหมือนเดิมว้าวเหมือนเดิมไล้วไปแลวเช้าเ่้าค่ะอาจารย์ขอบคุณคะว่าอาจารย์มานะอย่าลืมบอกไม่ลืมค่ะท่านอาจารย์เขาไม่ลืมเลยนะไม่ลืมค่ะท่านอาจารย์เขาไม่ลืมท่านอาจารย์ลูกก็ดีใจด้วยค่ะแล้วทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติของเขาโดยที่ว่าหนูไม่ได้ไปเตือนเขาหรือบอกอะไรเขาเขาารู้หน้าที่ แต่บางทีค่ะแต่บางทีมก็มีสับปะงกนะคะท่านอาจารย์แต่เวลาแบบคือแบบเหมือนเขาทำงานไงมันก็มันงก็ร่างกายมันแหนื่มันก็อาจารย์ก็ง่วงมันแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะท่านอาจารย์หนูคิดว่ามันก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันไม่เสียหายนะเป็นน้ำมันก็ไม่ก้าวหน้าใไ่ช่วไปนอนดีกว่าถ้ามันหลับถึงก็ไปนอนดีกว่าไม่ค่ะทีแรกหนูคิดอย่างนั้นแล้วหนูก็คิดว่า มุ้ไม่อาดีกว่าปล่อยดีกว่าแบบคือปล่อยให้เขาทำตามหน้าที่ของเขาดีกว่าเพื่อที่ว่ายัางไงอย่างน้อยเขายัางได้ความมีความเพียรอยู่ครับพยายา ม, มยยลูกคิดอย่างเงี้ยคะ่ะลูกก็เ ล, ล, ลยลูกไม่กล้าบอกไม่ต้องไปยุ่งเไม่ต้อยุ่งลูกไม่กล้าบอกว่าไปนอนเถอะเรื่องไงเดี๋ยวกลัวเขาไม่ทำอ ะ, อะไรเงี้ยอาจารย์เดีปล่อยเขาไปตามหน้าทีของเข า, ขาเขาทำหน้าที่ของเขาค่ะลูกก็ปล่อยเขาเพราะว่าโลกเราสมัยนี้ก็แลแบบวุ Ū ่นวายอะคะ่ะท่านอาจารย์ลูกคิด เยีะละพยายามยุ่งกันให้น้อยที่สุดดีกว่าถ้าไม่จ<ภ>ําเป็นก็ต่างต่างคนต่างอยู่เหมือนไปดีกว่าขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะอ่านคุณมนณิการานราที่ว่านะจากนำ้ำมันตะการเจ้าค่ะท่าอาจารย์ก็ก็ปฏิบัติอยูน่นะคะค่ะแล้วก็ก็ได้เหมือนการที่ที่แล้ว พอพ่อป่วยพอพ่อป่วยปั๊บสภาพของพ่อจะป่วยทุกอย่างเป็นเกือบทุกอย่างนะครับดโดยการท้องอืดลูกไม่เคยรู้เลยว่าการท้องอืดเป็นอย่างไรเพราะเราไม่มีลูกเนาะไม่มีครอบครัวในจุดนั้นก็เลยไม่เข้าใจทำให้พ่อเจ็บอยู่หลายวันเหมือนกันกับพระอาจารย์ก็เลยเห็นความเวีนนาการเจ็บป่วยในยามที่แก่เท่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ ได้ปรุงไปยังเยอะ ม, มากเลยแล้วว่าเออนะเวลาแต่และคนก็เหลือ น, น้อยลงมาเต็มทีเจ้าขวับพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าวันไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครเราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั่นโรคก็มากแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยพระอาจารย์ก็ก็ได้แต่ภาวนาตามตามใจไปยังค่ะไปยังปล่อยวางยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไป อย่าไปปฏิเสธอย่าอย่าไปอยางให้มันหายมันมาก็อยมันมาไปมันมาปอปมันไปเพราะว่าเรามีหน้าที่ดูแลรักษามันไปมันทำไปตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ในเรื่องของอาหารการกินก็กินแต่ข้าวต้มคาะอาจารย์ก็กินข้าวที่มันแฉะแฉะหน่อยนึงก็ ก็พยายามที่จะดูแลกันไปอันนี้จะอพอเท่าไหร่นะเก้าสิบกว่าแล้วนะเก้าสิบเอ็ดแล้วค่ะป้าจันอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะส่วนบนยังเสียงดังอยู่ค่ะปอาจันส่วนบนนี่ค่ะเสียงดังอยู่แล้วก็ส่วนอีทิปีสูทอยหลังก็ได้ค่ะป้าจันถ้าอยู่ถ้าอยู่ต้องทําประโยชน์ให้เกิดกับตนเองถ้อยู่ไปเฉยๆแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ก็เสียเวลาบ้างๆใช่ค่ะป้าจัน ก็น่าแต่เราบอกแล้วว่าการการดูแลพ่อในครั้งนี้ก็คือถือว่าเราได้ได้วางอุเบกขาลงไปได้เยอะก็คือการปฏิบัติตัวเองก็คือจิตใจที่เคยร้อนรุ่มเคยนุ่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเข้มงวดมากก็คือปล่อยให้พ่อไปตาม สภาพของพ่อกับพระอาจารย์ก็คือบางครั้งเราก็ว่าไปพ่อดื่มน้ําบางทีก็มีการสําลักน้ําบ้างอะไรบ้างบางครั้งถ้าสมมุติว่าเราเราบอกว่าพ่อต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนู้นนะต้องทำให้พ่อเครียดกับพระอาจารย์แล้วเราก็ปล่อยให้พ่อสําลักน้ําก็หมายถึงว่าสำลักน้ําก็แต่ว่าเออก็องตามไปนั้นแะตามนั้นแหละก็คือใช่เขาโตแล้วไม่ต้องไปซอยว่าหรอกค่ะผู้อาจารย์ค่ะนั่นแหละ แล้ว ก, ก็ประเด็นเรืของลูกก็ปฏิบัติอยู่ค่ะผู้อาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ก็ก็ล้วก็ก็ในแต่ภาวนาว่าขอให้ลูกได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบ้างขอให้แต่ตั้งเกจตนาอธิษฐานเราบอกว่าการปฏิบัติตัวเองของตัวเองก็ทําให้ดีที่สุดแล้วขอให้น้องๆนึก อ, อ, อ, อ, อยู่ในใจนะว่าขอให้น้องๆ เขาสงสารแล้วก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติทรรบ้างเพรอย่างน้อยก็ได้ต่อยอดเพราะว่าการปฏิบัติจะอยู่แต่บ้านก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับเหมือนการปลูกผักผูกอะไรก็ขายได้เนี่ยก็อาจารย์ก็ขายได้อยู่แต่ว่าก็ถามว่าพอวันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการถึงแม้นจะปลูกผักขายได้แล้วก็โดยที่ปลดสานพิษให้คนอื่นได้ทานให้คนอื่นได้ ได้กินแล้วนะครัพระอาจารย์ก็แต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจตัวเองเลยบอกตัวเองบอกว่าเออนะขอให้เราได้ขึ้นแต่ปฏิปธรรมได้เถอะปลุ ก, ก, ก็ต้องเรไม่ต้องการใช่ปะพระอาจารย์แล้วก็ต้อง <Okay. S 2> ดูความเป็นจริงด้วยถ้ามันยังไปไม่ได้ก็อย่าไปขอให้เหนื่อยเลยแต่แต่ว่านั่นคือาการตัง้งจิตอธิษฐานของเราเหมือนกันไม่ใช่หรือครับพระอาจารย์ใช่ตั้งได้แต่อย่าไป หวังอะไรอย่างเัี้ยตั้งแล้วแต่มันไม่ได้ไปมันก็จะผิดหวังได้อืมใช่พ่อจันแต่ว่าก็แต่ก็ก็พยายามแต่กพยายามขอพยายามอยู่ว่าขอให้ขอให้ได้ไปเถอะอใครได้ไบว่าอย่างน้อยก็ไปที่ใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องไปขึ้นเขาชิโอนก็ได้ก็ไปที่ใกล้ๆอย่างน้อยไปสักวันสองวั น, วนก็อืมเดี๋ยวใใกล้จะปิด ก็พยายาอยู่เดี๋ยวถึงเวลามันได้ตอนนี้ไม่ได้ขอไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะก็มันไปตามวิบากตรมใช่ไหมครัอาจารย์อย่างนี้ก็ได้อยู่กับปัจจุบันไปตอนนี้ต้องอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นไปปฏิบัติตรงนั้นไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์ก็โอเคก็อย่างนี้ทำทำที่แต่ส่วนคำถามนั้นก็ไม่มีนะครัพระอาจารย์เพราะว่าปฏิบัติอยู่รู้ กับใจตัวเองว่าเมื่อไหร่เราก็ตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันในแต่ละอย่างแล้วเราจะรู้สึกว่าวันวันเวลาผ่านไปแล้วเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทําพระพระอาจารย์ถึงแม้นจะเราขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ว่านั่นคือเราทําอย่างเต็มที่แล้วก็ได แ, แค่นี้ก็ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีสิ่งที่ตนเองได้กระทาํามาค่ะพระอาจารย์ จะไม่ไปโทษใครเหมือนกับแต่ก่อนก็เพื่อก็แบบแน้องว่าแับน้องๆว่าเออนั่นแต่ก่อนเราเคยโทษว่าเออนั่นคนสาเหตุมาจากคนโน้นคนนี้ที่ทําให้เราทุกข์ไปจริงๆแล้วตัวเราเองเท่านั้นที่ทําให้เราทุกข์ต้อบพระอาจารย์โอเคดีมากสาธุสาธุเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเลยนะคะต้นไปที่คุณสซเรนตอนแมวีแลนด์ นำ้ำมันจัรพรรดิจาย์ค่ะ <Yeah. S 2> หนูฟังพระจานทร์ก่อนหน้านี้แล้วท่านถ้าหนูเข้ามาครั้งแรกหนูก็คงคิดว่าพราะจานทร์มีใสคิดเผาค่ะที่บอกว่าอามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์แล้วก็บลนซ้อนเตแล้วก็ไม่มีคําถามแล้ uh huh. หนูฟังแล้วก็ยิ้มค่ะ uh huh. ว่าอาจารย์รู้ใจพร <laughs> จารย์อ่านใจคนได้ไม่เหรอเพราะว่ามันเป็นยี่มาเป็นปีแล้ว ถ้าพระอาจารยห์หนูฟังอยู่ข้างหน้าก็ขอโทษค่ะแมวก็เอ ย, ยิ้มมาค่ะว่าเออพระอาจารย์พระอาจารย์เขาใจรุกศิลได้ดีมากเลยครับพระอาจารย์ ห, หนูก็หนูก็ว่าหนูเข้ามาฟังทำตั้งแต่ช่วงโควิดอะคะ่ะพระอาจารย์น่าจะก็สี่ปีมานาะนสะี่ห้าปีตอนนั้นพระอาจารย์ตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าของภาษาไทายยังเป็นอยู่วันอังคารอยู่เลยอะคะ่ะแล้วก็ของภาษาอังกฤษนะคะหนูก็ หนูว่ามันตั้งแต่ปี2020นะคะถ้าหนูจำไม่ผิด20าดหกปีประมาณหกปีค่ะหนูยังไม่ไปไม่ถึงไหนเลยค่ะมาไปถึงแล้วสินานนี้ก็ต้องถึงแล้วแต่ว่าหนูก็เข้าใจธรรมะลึกซึ้งขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูมาหนูมาประเทศนี้ตั้งแต่ยังยังไมยังไม่ค่อยรู้ความเท่าไหร่คือมันไม่ใช่ว่าไม่รู้ความแต่หมายถึงว่าไม่ไม่เข้าใจศาสนาเท่าไหร่อะค่ะ ไม่รู้ความทางศาสนาอืมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบเดินทางไปต่างจังหวัดไปอะไรยังไงยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างนั้นเลยอืแล้วพอมาฟังทำพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าหนูมันมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันก็ลึกซึ้งแล้วมันก็มันเข้าใจสัาธรรมมากขึ้นเลยอะคะ่ะเห็นอะไรเห็นอะไรไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเราก็สามารถเอาธรรมะแล้วมันก็มองเข้าไปถึงระดับของความคิดอะคะ่ะว่า คิดแค่ความคิดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมันไม่ใช่แค่ระดับรักษาศีลห้าในสมัยที่เรายังเด็กอย่างอ่ะนะคะอือว่าอย่างมันหยาบมันหยาบเกินเราต้องเราต้องอนนเข้ามาเราลึกเข้าไปในใจถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะเข้าใจใจของเรามากขึ้นใช่ค่ะแล้วมันก็เห็นถึงความเห็นถึงความความไม่สะอาดของจิตของตัวเองบอบเคะ่องงามอเย ขึ้นไปในทางกุศลเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วพอมันพอมันเห็นแล้วมันก็จับได้แล้วพอมันจับได้มันก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะอ่ะใช่มำให้หน้าที่มาสัตพ่อใจเราเราพ่อ ก, กุศลออกไปจากใจนิดนึงใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เหมือนกับพยายามเจริญสติเจริญสติให้ได้มากที่สุดเวลาหนูทํางานหนูก็ก็ก็ทําอยู่ที่กับงานน่ะนะคะแต่พอ หยุดแล้วเวลานั่งมันจะกลับมาอยู่ที่ลมของมันเองะคะ่ะเพราะ <ห umb. S 1> ทุกครั้งที่เรากลับมาอยู่เฉยๆไม่ได้คุยกับใครจิตมันจะมาอยู่ที่ลมมันจะมารู้อยู่ที่ลมอยู่มนะันเป็นนิสัยแล้วดีใช่ค่ะเชา้าทั้งเช้าทั้งเย็นตื่นนอน <ห umb. S 1> เป็นคือ <ห umb. S 1> ทุกครั้งที่เหมือนเราตื่นนอนคือหนูตื่นนอนขึ้นมาแล้วหนูเริ่มรู้สึกว่าอเราตื่นแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่ลมมันจะรู้สึกนี่ก็นี่ก็ไปคิดเพือเจอนั่งนั้นรื่งนี้ให้เสียเวลาเราเ่ ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าอย่างสมมติว่าถ้าหนูดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเหมือนมันมีสองตัวนะคะพระอาจารย์เหมือนยังมียังเห็นความสุขใจยังเห็นความยังเห็นความเพลิดเพลินใจกับการชมการดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นสฝ่ายฝ่ายวิเลตกับฝ<อ>่ายธรรมแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยเหรอคะว่าอ๋อเรากําลังนั่งดูอยู่เรากําลังมีความสุข<ไ>อย่างเงี้ยแล้วก็หนูโฟกัสโฟกัสอย่านเงี้ย ใช่ค่ะหนมันก็จะเห็นทั้งสองตัวในขณะที่เราเรากําลังทําดูหนังดูละครมันก็จะเห็นทั้งสองตัวเนี่ยค่ะก็อ๋นแล้วเวลาเรามีสติเราดึงใจเข้าเข้ามาเราก็จะเริ่มเห็นการทํางานต่างๆภายในใจเราใมันเหมือนก็เหมือนจอภาพยนตร์ในนี้นี่มีทั้งฝ่ายผู้ร้ายมีทั้งฝ่ายผู้เอกผู้เอกมันตีกันมันเหยียดแต่เราก็ยอมให้ฝ่ายผู้ร้ายมันชนะหลายๆค่ะเราชอบเราชอบผู้ร้ายมากกว่า แล้วสักพักหนึ่งพอเราดูไปสักพักเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันไม่มีแก่นสามดูไปทําไมแล้วเราก็หยุดดูอย่างนี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็มาสู้กันอย่างนี้อีกะคะ่ะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่อ่ะคะ่ะพระอาจารย์ก็หนูก็ยังสู้ต่อไปคะ่ะพระอาจารย์รอรอให้มันแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าสติขแข็งแรงขึ้นใช่สำคัญตอนที่มันทุกข์อะตอนนี้มันแก่ข้างทุกข์ขึ้นมาเราต้องรู้จักดํามันให้ได้จริงคะ่ะพระอาจารย์อย่าง ยกตัวอย่างอะค่ะอาจารย์ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีพี่คนนึงที่ร่วมปฏิบัติธรรมกับหนูที่วัดอะค่ะเสียชีวิตแต่ว่าพี่คนนี้ก็อายุอายุมากพอสมควรแล้วอะค่ะเขาก็เดินแล้วก็หกล้มในห้องน้ําหัวฟาดพื้นแล้วก็สมองบวมด้วยความที่พี่เขาอยู่คนเดียวก็ไม่มีคนมาพบเขาจนกระทั่งสองวันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านเขาก็ขอให้เหมือนเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูไขประตูเพราะเขาอยู่ในคอนโด พอไข่เข้าไปเขาก็ยังมีลมหายใจอยู่นะคะแต่ก็ไม่เข้าไอซิไม่สามารถแล้วค่ะก็ญาติพี่น้องก็มาแล้วก็ถอดเครื่องหายใจแล้วก็ไปอย่างนั้นเลยง่ายๆมันไม่เที่ยงจริงๆค่ะพอเราทราบข่าวล้วก็รู้สึกตกใจว่าเออมันมันเร็วจริงๆอะไรจะเกิดมันมั น, วนมรวดเร็วไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอะไร้น เราจึงไม่ควรประมาณนี่ทําสิ่งที่เราทําได้เสียตอนนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะมันก็เลยทําให้เราคืนนั้นหนูก็พิจารณาความตายทั้งคืนเลยเพราะมันเป็นคนที่รู้จักกันเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเราเจอกันที่ที่ที่หวัดถูกถูกขังที่ไปกิติค่ะกีวันต่อไปก็อาจจะเป็นเราก็ได้ค่ะพระอาจารย์หนูก็ <laughs> มันไม่แน่จริงค่ะไม่แน่ อ, อย่างที่เมื่อกี้จิ๊บพูดอะคะ่ะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราเตรียมตัว แล้วเราก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างคือบ้านมันอยู่ใกล้ใกล้ดีซีมากๆอะค่ะแล้เราอย่าไปทุกข์กับมันนะประมาณของการปฏิบัติค่ะบใะจิตเราเน้นให้สงบไม่ว่าะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นอะไรก็ตามเราต้องไม่ทุกข์กับมันให้ได้อะหนูก็ถือว่าที่เราศึกษามาทั้งหมดถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงก็เป็นเวลาของจริงเป็นข้อสอบแล้วว่าจะ เราจะปฏิบัติได้มากหรือเปล่าสอผ่านหรือเปล่าค่ะค่ะหนูก็คิดประมาณนั้นนะคะอาจารย์แล้วผ่าน<พ>าาแล้วใจกเฉยเฉยทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาปกติค่ะอ า, าจารย์ยังไงยังไงมันก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นเลยส่วนนี้ก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้มีสองทางแล้วไม่มีสองทางมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคน ใช่ค่ะเวลานั้นแค่ยอมหยุดเย็นเท่านั้นล่ะค่ะเราฝึกแค่ทําข้อสอบข้อนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่เราก็ไม่กังวลจากข้อสอบไปไหนละอ่าหนูซึ้งถึงคํานี้แล้วค่ะเพราะว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรหนูใช้สติสมาธิแล้วพอมันมีสมาธิมันก็จะยอมแล้วมันก็จะหยุดแล้วทุกอย่างมันก็มันก็ผ่านผลไปมันก็ไม่มันไม่มีปัญหามันจะดีไม่ดีมันก็ไปมาแล้วมันก็ไป อาจารย์เราไม่ไปทุกข์กับมันก็ใช่ได้ได้คะ่ะมันก็ยังมีกระเพื่อมอยู่นะคะพระอาจารย์แต่ว่าพอ<ม>เรามีสติมาจับมันก็เริ่มมันก็คลายลงอต้องซ้อมให้มากกว่านี้ให้เร็วกว่านี้คตะองโทรเขาต้องเขาเขาต่อยหน้าเราเท่ก่อนถึงจะถึงจะหนูทำทันมัน <laughs> ต้องต้องกันมว้ให้ได้เขาจะต่อหน้าต้องกันไว้ได้ค่ะจะเตืนใจเลยใช่ค่ะหนูก็มีพระอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจหนูค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นหนูก็ เปิเสตย์ให้บ่อยขึ้นะพิจนาตายรักให้บ่อยขึ้นสังตัวนีนะ้ที่เป็นตัวที่ป้องกันใจเราได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เดือนหน้าหนูก็จะไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็หนูก็ซายอัพเดือนของเดือนมิถุนาไว้ด้วยอดีค่ะ ไ, ได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีการปฏิบัติธรรมนี้จะช่วยเร่งสป<ม>ีดเร่งเร่งการการดำเนินการของเราให้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึ้น อาพาจารย์พาจารค่ะพาจารย์กลับขอบพระคุณพาจารย์ค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นขอบคุณมากมากนะคะพระาจารย์ขอบพระค้าน ค, adian, ขขข well, ค่ะสาธุค่ะเชิญพึ่งดวงาวสปาร์ต้าชาวเชียงใหม่เพิ่งเข้ามาเลยเปิดไมคได้ไหมค่ะคือหนูเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์กลับน้ำมันสะใจค่ะ าายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจ้าคือหนูมาอยู่ที่ไต้หวันค่ะอ๋อไต้หวันโอเคแต่แต่คือมาอยู่กับสา ม, มีค่ะอ๋อทำงานเป็นเป็นแม่บ้านค่ะพระอาจารย์แล้วที่นี้พอเป็นแม่บ้านก็เลยมีเวลาที่ได้ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็ลองปฏิบัติ ด, ดูค่ะอืทีนี้หนูก็มีคําถามอยากจะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะคือว่าเมื่อวานได้ลอง ได้ลองภาวานาโดยการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับพุโทโธอะค่ะก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วทีนี้รู้สึกว่าร่างกายมันเจ็บใช่ไหมคะแต่หนูก็ภาวานาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เอประมาณสักสี่สิบนาทีได้อะคะ่ะคือเหมือนกับเอเหมือนจิต ม, มันมันงูบมันดิ่งลงไปอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวที่เจ็บมันจะสบายขึ้นคะ่ะแต่วินาทีนั้นคือเหมือนสัมผัสได้ว่า น่าจะมีความกลัวแทรกเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าปวดใจมันเต้นแรงขึ้ น, นะคะ่ะหนูก็เลยเหมือนกําหนดดูต่อไม่ไหวก็เลยต้องออกจากสมาธิไปก่อนนะคะความจริงควรจะอยู่กับพุทโธต่อไปได้จะดีกว่าค่ะคือเป็นเป็นครั้งแรกที่ลองนั่งสมาธิแล้วได้นานประมาณนี้แล้วก็แล้วก็วกเ อ, อสัมผัสได้ว่าเหมือน ปเอเป็นสภาวะปแปลกๆที่ไม่เคยไม่เคยเจอค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็พุทโธปูกจใรกับพุทโธเราจะปลอดภัยค่ะแล้วเราทีา่ข้าน้าแล้วนั่งไปมีอะไรเกิดขึ้นกับพุทโธอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆค่ะคือเราที่จิตมันเหมือนวูบลงไปอย่างนี้ค่ะคือหนูไม่แน่ใจว่าเหมือนเออน่าจะเข้าเหมือนจิตเข้าสมาธิแล้วหรือ ย, อยังประมาณนี้ค่ะถ้ามันวูบแล้วมีสติรู้อยู่ก็เข้าสมาธิ เขามันมุดกข้าไปแลามันต้องนิ่งด้วยนิ่งเรามีความสุขรู้สึก ส, สบายสุขจใจเย็นใจขึ้นมาค่ะคือสมาธิค่ะคือความรู้สึกคือรู้สึกว่าสบายขึ้นค่ะความเจ็บหายไปเลยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนมันตกใจค่ะแล้วใจก็ใจก็เลยเต้นแรงแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่าดูต่อไม่ไหวค่ะเอ่าก็ใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เลยเกิดอาการกลัขึ้นมาแต่ต่ัไปเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มันไม่มาทำร้ายเราได้เนาะค่ะ แ, <ต>แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเอ่อแล้วคือคือว่าจยางตลังจากที่หนูออกจากสมาธิแล้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็ก่อนที่จะนอนค่ะหนูก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเออ เ, เหมือนทิดเริ่มเห็นว่า นั่งกายมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างที่นอนอยู่บนเตียงคือหนูรู้สึกว่าคล้ายๆปอกหมอนที่เรามาอาศัยอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนเห็นเนืองๆอะค่ะไม่ได้เห็นตลอดก็พยายามเอามาคิดอยู่บ่อยๆว่ามันนั่งกายมันก็เป็นแค่ก้อนก้อนดินน้าลมไฟนี้ดีๆนี่เองค่ะค่ะเราอาศัยมันใช้มันเป็นเครื่องมือพาเราไปทำอะไรต่างๆ เราเป็นผูรู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายค่ะดังไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราไม่ต้องไปเป็นเต้นตกใจค่ะรักษาใจด้วยพุโทโธพุโทโธว่าอะไรจะเกิดก็ถ้าห้ามไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยให้มันเกิดไปอ่าคือความรู้สึกตอนที่เหตุสภาวะแบบนี้คือรู้สึกตกใจค่ะแล้วก็อย่างเมื่อคือนก็นอนหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่า ค, คือมันเตือนเตือนสนามเตือนสนาอ่าค่ะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปนั้ก็จะค่อยชินกับอาการต่างๆที่ปรากฏ <c oughs> ก็รู้ว่ามันผ่านไปแล้วมันพิจารณาให้เป็นอนิจจ์ทุกขงังละตตาไปตรงนี้ของของที่เกิดได้แล้วก็ดับได้มาแล้วก็ไปพอมันไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันค่ะ อย่างนี้คือหนูก็ควรปฏิบัติแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่พยายามมีสติอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งทั้งในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิด้วยอย่างเช่นกลางวันหรือระหว่างวันเราทําอะไรถ้าใจมันคิดที่เราเนื่องมันกลับมาหาพุโทโธดีกว่าค่ะค่ะหนูจะพยายามไม่ลืมพุโทโธค่ะคือเมื่อวานตอนที่จิตพู่ไปคิดว่าน่าจะลืมค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนสติน่าจะสติแตก ประมาณนี้ค่ะก็เลยสติหายพุโทโธหายค่ะม่็นไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์นี่เราก็จะม่สติจดจำนะโอาเราต้องพุโทโธพุโทโธนะอ่าเราไม่นํากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวอ่ะค่ ะ, ะสาะปอาจารย์หนูจะนาไปปฏิบัติค่ะโอเคมีอะไรไหมอือตอนนี้ก็คือ ตอนนี้ติดที่ตรงนี้ค่ะยังไม่ยังไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มค่ะอะก็ลังทําต่อไปดูแล้วมีอะไรก็มาเล่าให้ฟังอาทิตย์ต่อไปก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์คือหนูอยู่ต่างประเทศเวลาปฏิบัติเ อ, อหนูก็จะสามติว่าถ้ามีอะไรสงสัยเนี้ยค่ะบางทีหนูก็ถามเอไอค่ะได่กต้องก็ต้องระวังไว้เอไอบางที่มันก็มันไม่มไ ม, ม, ไม่มันไม่ได้ปฏิบัติมันก็อาจจะ ค้าแต่ที่ไม่ถูกต้องหลังๆหนูก็พยายามไม่ไม่ไม่ถามเยอะค่ะไม่ถามไออเยอะคือก็จะพยายามเข้ามาเอ่ออย่างอย่างสนทนาธรรมพระอาจารย์เนี้ยค่ะบางทีหนูก็ฝากคํำถามไปค่ะเอ่ค่ะพยายามลองข้อมูลแต่รายหน้านเราจะได้มาเอามาเปรียบเทียบกันค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะะสาธุค่ะขอบคุณหมอสุทธาสเนจร ทุกไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เพราะไม่มีไม่มีทุกใช่ไหมแล้วไม่มีคําถามยังไม่เจอทุกเจ้าค่ะอืาดีเจอก็ไม่ทุกกับมันนะเจอก็คิดว่าอ่าน่าจะมีเครื่องมือเจ้าค่ะอที่ได้รับอ่าการฝึกฝนอบรมจากท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคดีพยายามรักษาใจไม่ให้ทุกเท่านั้นล่ะอย่างอื่นนะอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะไม่เกิดอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไป เจียค่ะท่านพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอ่าสาธุขอบคุณ อ, อ้อมบอวินบอเป็นยเข้ามากราบค่ ะ, คะพระอาจารย์เอ่านอนกราบนะมานั่งนอนกราบเลยฟังอยู่ค่ะนั่งฟังอยู่ค่ะโอเคอ่านหนังสือคืนอัมลาจบแล้วค่ะพระอาจารย์รู้สึกเป็นยังไงบ้าง ร, รู้สึกดีเดี๋ยวอา่านรอบสองอีกค่ะเดี๋ยอามาจากที่ไหน วันอาทิตย์ไปที่หน้ากุติม า, เ, าเข้าใจน้ำเนี้เลยใช่ค่ะนี่เขาเป็นน้องซื้อน้องซื้อมีชื่อว่าอะไรคืนอำลาค่ะ เ, เป็นอำลามีแค่กันเดียวเนี่ยมีมีทุกขวเวทนาพิจารณาทุกขวเวทนาหัดตายสู้แค่ตายแล้วก็คืนอำลามีาห้ากันค่ะอ่ากันเปียกั น, กนของตามมาบุ๋ใช่ไหมใช่ค่ะ เคยได้ยินที่ว่าสอนสอนญาตโยมที่เ็าเป็นโรคอะเรในยันสุดท้ายใช่ค่ะที่เหลืออายุแค่หกเดือนก็อยู่ไปต่อได้ตั้งเกือบปีมั่งก็เคยได้ยินเรื่องนี้ก็เลยเห็นหนังสือนี้มีก็เลยเอามาอ่านดูค่ะดสอนวิธีทาใจไม่ให้ทุกกับร่างกายร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ปล่อวางแล้วก็จะไม่ทุกข์จะเป็นโมปะสมุสุโคปล่อยวางร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะโอเคหัดปล่อยนะค่ะถ้ยังกลัวอยู่แสดง ย, ยังไม่ปล่อยค่ะถ้าไม่กลัวแสดงก็ปล่อยได้แนละ้วค่ะต้องไปทดสอบเนะรื่อยๆนะค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองตัวเองว่าไม่ไม่กลัวนะค่ะจะรู้จริงจะรู้ว่ากลัวไม่กลัวต้องไปต้องไปเจอของจริง เจอเห็นการก่อนโอเคค่ะขอตัวกอค่ะอาจารย์สุภัสตาเชิญเป็นงานการชีวิตการสอนสนุกไหมไม่สนุกเท่ากับปฏิบัติธรรมจ้าค่ะ <Yeah. S 2> <laughs> ไม่สนุกเท่ากับการได้มีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรม ค่ะละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเล่เราจะทำใจเย็นใจสงบสาหนังเสือนี้ใจกัะวนมันเอาไปฝันเจ้าค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องให้คิดเยอะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรากังวลว่าเราจะทํางานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลายอย่างมันมีมันมีงานหลายอย่างมันก็ออกไปฝันเจ้าค่ะแล้วธรรมดานห้องเรียนนี้มีนักสือนักศึกษากี่คนตาย อประมาณยี่สิบครยี่สิบสองคนะระดับปัญญาโทเลยแล้วเป็ญญาตรีเจ้ญญาค่ะเป็ญญาโทลูกก็สอนเอแต่เป็น<ม>ออนไลน์เจ้าค่ะ<ม>ก็ก็ปัญญาโทก็เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษเจ้าค่ะ<ม>ก็วันเสาร์สอนวันเสาร์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สอนเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดวันเปิดประมาณเดือนสิงหาเจ้าค่ะตอนนี้ปัญญาตรีปิดเทอมอยู่เจ้าค่ะก็เดี๋ยวเปิดเทอมมิถุนาแต่ว่าจะมีอบรมเยอะ สารวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมได้ไหมอ่าใช่เจ้าค่ะคือเขาจริงๆอ่ะลูกจบด้านการศึกษาพิเศษคือคือดูคือคือทำ ค, ค, ค, ค, ค, คือเรียนเกี่กับเด็กพิเศษทุกประเภทอ่ะเจ้าค่ ะ, ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กออทิสติกค่ะเด็กสมาธิสั้นเจ้าค่ะแล้วก็เด็กกลุ่มอ่าบกพร่องทางการเรียนรู้เจ้าค่ะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยู่อยู่ต่างประเทศมาเขาก็เลยเห็นว่าเราก็นาก่าจะสอนภาษาอังกฤษได้ขาดคนสอนภาษาอังกฤษ ก็เลยจับลูไปสอนภาษาอังกฤษเจ้าค่ะด้วยนะคะตอนนี้ก็ปิดเทอมแต่เทอมหน้าก็น่าจะสอนเกือบสี่วิชาเจ้าคะ่ะอืมนะคะแล้วก็รวมปัญญาโทอีกหนึ่งก็น่าจะห้าวิชาแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิจัยบทความแล้วก็แล้วก็งานเกี่ยวกับาการให้บริการชุมชนอะไรอย่างงี้ด้วยเจ้าค่ะมันเยอะเจ้าคะ่ะมันมันไม่สนุกเหมือนกับการนั่งสมาธิเจ้าค่ะเขาใช้เราเต็มที่เลยนะ ให้คุ้มกับข้างเป็นเดือนที่เขาจ่ายเราเองเจค่ะก็ก็ก็นั่งสมาธิทุกเช้าเจ้าค่ะเป็นเป็นเป็นอาหารใจตลอดก่อนไปทำงานเจ้าค่ะดีนสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาความแก่เจ็บตายตามหลังต่อจะได้ไม่ลืม เจ้าค่ะอยู่อยู่กับโลกเราวุ่นวายเจ้าค่ะลูกก็มันเอาไปฝันเจ้าค่ะแค่นั้นแล้วรูกก็รู้ว่าฝันแล้วรูกก็คิดอยู่ทั้งวันมันต่างมากต่างมากเจ้าค่ะตอนที่มีเวลาได้นั่งสมาธิเดินจงกรมมันฝันน้อยแต่พอตอนนี้มันฝันอะไรก็ไม่รู้ฝันเยอะอพันดบเพ้อเจ้าอะไรใช่เจ้าค่ะเป็นบ้าเป็นหลังอะไรก็ไม่รู้ฝัน ฝันอะไรก็ไงไปไปมัวไปหม ด, หมดก็ไม่เป็นไรครับ <Yeah. S 2> มันก็ไม่ใช่ความฝันมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปก็เรื่อมันไปเสียไม่จาเป็ น, นต้องมาคิดให้เสียเวลา เจ้าค่ะเจ้าค่ะดีที่ได้มีโอกาสมีช่วงหนึ่งที่ได้โอกาสปฏิบัติธรรมแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเรามีแนวทางในการดําเนินชีวิตไม่ไม่ไม่ไหลตามไปกับทางโลกต้องอมาไม่บ้าไปกับทางโลกมากเจ้าค่ะยังมีเครื่องยึดอยู่บ้างให้มีสติเจ้าค่ะต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะทวดเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปที่คุณ ป้วยลักเซมเบิร์กคุณป้วย a อไอแล้วเปลี่ยนชื่อให้กล่า้นมัสการขออาจารย์ไม่ใช่เอไอตัวจริงค่ะค้าอาจารย์โยมาเข้ามารายงานพระอาจารย์โยมาสบายดีแล้วประเทศโยมก็น้ำมันก็ขึ้นเหมือนกับประเทศไทยนั่นแหละค่ะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีภ <Yeah. S 2> าวะ ขาดแคลไปเติมที่ปั๊มยังตามได้อยู่ไม่มีปัญหาเลยค่ะมีมีคนเข้าคิวไปเติมเนี้ยไหมเนี่ยเหมือนปรับปรับเป็นปกติไม่มีไม่มีปัญหาเลยกเพราะว่าน้ำมันเราถูกกว่าประเทศเยอรมันและประเทศเบรเจียมค่ะแล้วเราก็มีน้ํามันด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือเขาห้ามอย่างอย่างสมมุติว่าคนข้ามแดนมาจากเยอรมันเนี้ยจะมาเติมที่บ้านเราเนี้ยอาจจะถูกจับได้ เพราะตอนนี้เขามีกฎห้ามห้ามกดกดเล็กเลยอ่ะ uh huh. ห้ามให้ต่างประเทศก็มาเติมน้ํามันที่ประเทศเราพราพวกเยอรมันพวกฝรั่งเศสมันชอบมารับรอบเอาน้ํามันอ่ะใส่แทนแล้วกลับบ้านไปตุนอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วจะจับเพราะถ้าจับแล้วคือเสียไม่คุ้มเสียเนะี่ยไม่คุ้มเสียเลยค่ะ uh huh. แต่เติมได้ถ้าน้ํามันลดบนให้เติมได้แย่าไม่ ไ, ไม่ซื้อสา่ถังไป คนไปมากเติมคุณจะเติมไปกี่สิบรนมันเพราะว่า ม, ม, มันไม่ได้ขึ้นเยอะเลยมันขึ้นเหมือนกับธรรมดามากเพราะอย่างหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกสี่อย่างเงี้ยแบบดิเซนก็สองยูโรก็คนยังคิดว่าธรรมดาอยู่เพราะว่าเขามีสวัสดิการถือว่าถ้าน้ํามันขึ้นค้าคุณคลิปขึ้นเงิ น, งนเดือนเขาก็จะขึ้นให้เนี่ยแล้วเขาทั้งทังยุโรปเล ย, ยงไงค่ะ แล้วเราก็เออประเทศไทยเมื่อวานก็โยมก็ฟังเน่ยเออประเทศไทยมันทําไมน้ํามั น, มนคุณมันต้องไปจอดรอเยเราไม่ได้อยู่ในประสงขามซะหน่อยเอเาก็ยังสงสัยอือเพราะมันมันแพงมากนะฮะประเทศไทยโยมดูแล้วอ่ะมันแพงมากๆเลยค่ะโยมก็เอ่อมารล่างานตัวโยมก็ไม่ค่อยมีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องส่วนตัวแล้วโยมก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆถือคาสอนของพระอาจารย์โยมก็ นั่งสมาธิทุกวันถือศีลเจ็ดจุดห้าตังวันถือศีลแปดตางคืนแล้วก็เมื่อวันสองสามวันที่ผ่านมาโยมมันฝนมันตกโยมก็ไม่ได้ไปไหนโยมก็ถือศีลแปดล้วนๆเลยแล้วโยมก็นั่งสมาธิโยมนั่งได้ยาวแล้ววันนั้นรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าโยมฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็วันที่พระอาจารย์บอกว่าเออเทศไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไอเครื่องขยายอะ โยมก็นั่งนั่งนั่งนั่งสมาธิกับพระอาจารย์และพอจบนะโยมก็ไปนั่งสมาธิฟังธรรมของหลวงตามบัวแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันโล่งๆแล้วมันตัวมันเย็นเจี๊ยบๆเหมือนอยู่ในตู้เย็นแล้วโยมรู้สึกดีจังเลยแล้วคือมันสมองมันไม่มีอะไรมันไม่มีหัวสมองเลยพระอาจารย์จิตสงบจิตสงบ และสงบมันก็จะโลง่งจะเบาจะเย็นจะสบายเราก็รู้สึกว่ า, าลูกนี้มันดีจังเลยอย่างอย่างนี้แหละแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันมีอะไรมาสอนน่ะเวลาที่โยมนั่งสมาธิคือโยมกระฝนก็ฝ่ายมากเกินไปที่ว่าจะให้เข้าสมาธิและทีนี้ตอนที่โยมนั่งสมาธิและโยมฟังคำสอนพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้วางใจเป็นธรรมดาให้วางใจ ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะได้อะไรโยมก really ็เลยทําไม่ต ana, ana, Maybe, ้องไปคิดว่า uh มันจะได้อะไรโยมก็นั่งนั่งนั่งนั่งภาวนาภาวนาภาวนาแล้วอยู่ๆมันก็จะอยู่ๆมันก็จะหายไปแต่บางวันมันก็ดีบางวันมันก็จะไม่ดีอ่ะครับอาจารย์แต่เมื่อวานเนี้ยโยมนั่งนั่งอยู่อะมันอยู่ๆมันก็หลับไปเฉยๆกลางวันน่ะนั่งที่โยมก็มันมันตัวขี้เกียจมันยังอยู่อะพระอาจารย์คงจะเกินมากไปหน่อยช่วงบางวัน อย่าไปนั่ตอนที่กินเสร็จใหม่ๆมันก็จะง่วงยมก็ออกไปเดินนะเออเพราะว่ายมฝันมีคนนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเป็นใครอะ่ะมาพูดใส่หูยมบอกว่าให้ยมท่องนโมพุชายะเออยมก็ท่องนโมพุชายะแล้วก็อะไรนะนามพัทธเจพภากัสสะยมก็ท่องท่องท่ อ, อยมก็ลองลองท่องซิเอรอยม่ใจมันก็นิ่งเนาะเอรอยมก็เอ อ, งเ อ, อสงสัย ไอ้ผีหรือคนหว่ามันบอกแล้วโยมก็จิตมันปรุงจะปรุงแต่งอะฮะเพราะปกติโยมไม่ค่อยฝันโยมก็เนี่ยตื่นขึ้นมาโยมตั้งนาฬิกาปลุกบัสองสามวันโยมก็ตื่นตื่นตีสองบ้างบางทีตีหนึ่งบ้างนาโยมก็นั่งสมาธิไปได้แป๊บหนึ่งแี่นิสัยโยมไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยพระอาจารย์พอพอนั่งสมาธิได้สักชั่วโมงหนึ่งพอโยมจะไปเดินเนะ มันเกิดอาการขี้เกียจอีกแหละกิเลสมันเล่นงานอะมันทําให้เรามานอนอีกแล้วอะพระอาจารย์มันต้องแจ้งลองอดอาหารดูเถอะวันนี้ก็จะไม่ม่วงค่ะเดี๋ยวจะเ๋ยจะทดลองค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโยมก็เอ่อเดินทางเนี้ยแหละเมาตามพระอาจารย์พ่อโยมตามมาห้ามปีกว่าแล้วโยมตามหลังมากับหมอวีอะ่ะคุณหมอวีอะ่ะไม่ปล่อยแล้ว โยมเดินเวใดนามนี้แหละโยมโยมบอกแล้วว่ามันเป็นทางที่สงบทางที่นิ่งแล้วก็โยมก็เลิกเล่นหวยไทยแล้วนะพระอาจารย์เพราะว่าโยมฟังพระโยมเชื่อสิ่งที่พระอาจารย์สอนนะเป็นสิ่งที่จริงเพราะว่าเราลงโยมโยมฟังพระอาจารย์มีอยู่ตอนหนึ่งที่สองปีที่แล้วหรือปีที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่า <S <S ให้ <S <S ให้ให้ให้ลองเก็บกระตังน่ะใส่หยอดเวลาจะไปซื้ออันหยอดไว้ที่หนึ่งโยมก็เออจริงแฮ ถ้าเราซื้อเนี่ยนะสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียหมดเลยเพราะว่าเออพอเวลาโยมไม่ซื้อนะมันโยมก็เห็นถือเห็นมันมองดูเออใช่จริงจงอย่างที่อาจารย์สอนเลยอ่โยมก็เลยบอกากราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะโยมก็ไม่คิดว่าคนอย่างโยมจะเลิกเล่นหวยไทยได้นะแต่วันนี้โยมถามว่าโยมจะกลับไปเล่นไหมไม่เล่นอะ่ะเพราะว่ามันไม่รวยถูกแล้วมันไม่ได้ว่าโยมเป็นอภิมหาเศรษฐี รงวัมันน้อยมรางวัมันน้อยใช่ไหมจริงต้องเล่นก็ต้องหวยของฝรั่งมันถึงรางวัลเยอะเป็นพันล้านขึ้นไปนะเออเอาไ้หวยฝรั่งนี่ยังไม่เลิกโอเคก็ขอให้สักวันหนึ่งได้แจ้งขวันเลยนะ กการขอบพระคุณครัพระอาจารย์โยมจะมาถวายบุญทุกบุญทุกท่านพรมีกับพระอาจารย์และโยมกกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนโยมมาได้ตั้งหลายปีต้องห้าหกปีแล้วและโยมก็เป็นทางธรรมนี่แหละถือศีลแปดไปเรื่อยโยมไม่ไม่เลิกหรอกค่ะพระอาจารย์และก็ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแดงแต่เจ้าคะา่ะะสาธุสาธุอายุวโนสุขังบาลางสาธุเจ้าค่ะ อ่าไปที่คุณมาดีอาทิตย์นี้มีเพื่อนที่ทํางานมาทายบายกล่าวหลวงพ่อค่ะค่ะอขอฝากด้วยอ่ะขอฝากด้วยค่ะพอดีพี่เขาบอกมาว่าว่าเขาจะไปหนูก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวขอฝากไปด้วยนะไปถวายหลวงพ่อด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดีใจค่ะหลวงพ่ออานุโมทนากับพี่เขาด้วยค่ะอืมก็ดี ค่ะได้ได้ฝากไว้ไสวยหลวงพ่อด้วยดีจ้ะได้รับแล้วตัวอย่างสาธุ ค, ค่ะอนตะโมทนารสาธุ ค, ค่ะมีอะไรไหมอันนี้หนืก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก็ได้ได้เห็นสภาวะเพิ่มขึน้นค่ะหลวงพ่อเห็นสภาพจิตใจเรามากันชัดขึ้นนะ ใช่ค่ะหลวงพ่อได้ได้เห็นรู้รู้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะหลวงพ่อมันไม่มีตัวหนูเข้าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยทุกทุกอย่างที่มันเห็นเข้ามาค่ะหลวงพ่อก็อเลยรู้สึกว่ามันน่าจะถูกทางที่สุดแล้วค่ะหลวงพ่อได้ได้เห็นได้เห็นรู้รู้แบบมีทั้งที่เราตั้งใจแล้วก็พอฝึกไปเรื่อยๆปฏิบัติ ที่หลวงพ่อสอนว่าต้องเอฝึกสติะตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจมันก็วางกายวางใจวางทุกอาการทุกอารมณ์ได้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือรู้อยู่เฉยๆไม่เข้าไปเล่นทุกทุกอย่างไม่ว่าความคิดจะสุขจะทุกข์จะชอบไม่ชอบจะเฉยอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันเป็นอะไรนะคะอุเบกขาอะไรใช่ไหมคะหลวงพ่อมัน มันจะกลางๆค่ะหลวงพอ่อไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงค่ะหลวงพอ่อแล้วพอปฏิบัติมาเรื่อยๆอะค่ะหลวงพอ่อแค่แค่รู้เฉยๆไม่ไม่เข้าไปยุ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพอ่ออะไรจะมาก็ปล่อยให้มาอะไรจะไปก็ไปอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วอยู่ๆมันก็เห็นสภาวะตรงที่ว่ามันเห็นรู้รู้รู้ที่มันเป็นรู้จริงๆโดยที่ไม่มีตัวไม่มีตนของเราเข้าไปรู้ตรงเนี้ยค่ะหลวงพอ่อมันก็เลย ทําให้เห็นนะคะว่าตรงเนี้ยถ้าฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะเป็นรู้ที่แบบเป็นอิสระจริงๆไม่มีตัวมีตนอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูเข้าใจแบบนี้ค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะหลวงพ่อมันเห็นเห็นเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก <Okay. S 1> ็ะออจะเพียนแล้วพอดีหนูไปฟังคลิปหลวงพ่อมันมีอยู่ตอนหนึ่งเรื่องหลวงพ่อพูดถึงเรื่องนิพพานนะคะหลวงพ่อที่มีคนถามอะค่ะอุ้ยมัน หนูกําลังเดินตามที่หลวงพ่อพูดอยู่เลยค่ะหลวงพ่อให้ฝ hey, ึกสติประฐานสี่ดูมีสติอยู่ที่กายใจใช่ปะคะหลวงพ่อแล้วมันก็จะทํามีสติทันความคิดวางกายวางใจได้อะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าถ้ามีเวลาแล้วก็มานั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะเห็นแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็วางใจ เป็นกลางๆให้รู้เฉยๆจะไป<ช>จะมาก็ไปค่ะหลวงพ่อดีหยดน้ามนต์นนใ<ช>บบัวค่ะหลวงพ่อไม่โดุดข้อหากันค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เห็นจริงๆว่าทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะเราก็ไม่เข้าไปสุขไปทุกข์กับมันจริงๆค่ะหลวงพ่อค่ะมันเป็นตายแ<ต>้ทุกอย่างเป็นตายแล้วค่ะหลวงพ่อมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะหลวงพ่อใช่ค่ะ ถ้าาไปยืดไปติดแล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเกิดแบบวางใจแบบกลางๆไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะโหหลวงพ่อมันมันดีมากๆเลยค่ะหลวงพ่อมันไม่ไม่เข้าไปเล่นไม่อะไรทุกสิ่งอย่างเพียงแต่ว่าตอนเนี้หนูขอปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดที่มันแยกแยกกันโดยอิสระอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ตอนนี้ยังเดินไม่ถึงค่ะหลวงพ่อแต่ว่า แต่เห็นทางเห็นแนวแล้วที่หนูฟังหนูพ่อด้วยค่ะนี่โอเคค่ะคามต่อไปนะค่ะกลับขอบพระคุณมากๆค่าหลวงพ่อาสาธุค่ะสาธุค่ะไปคุณจอยต่อเห็นลูกชายกระโดดโน้เต้นอย่ข้างหลังอนี้นเมื่อเช้านี้ซืมอไปแล้วค่ะพี่สาวเขาให้แอแพไปแล้วค่ะไปอ ย, อยู่ห้องก็เขา ตอบแล้วกล้ปิดเทอมแล้วค่ะเออเ อ, อเออหนูถามหนูถามว่าเออคุณสาวว่าการที่เราถ้าเราไปทําบุญเขาเรียกอะไร น, นะล้างป่าช้าสุสานอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้เห็นความปงไปแบบได้ใช่ไหมคะได้ก็เห็นวร่างกายในที่สุดก็จะแค่เศษันมะเพราะว่าเ้าเรียกว่า อ, อะไรใจเรามันยังต้องอยู่กับ ทางโลกมันก็เลยยังไม่หมดไปใช่ไหมคะถ้าเรายังมีอารมณ์กับสิ่งที่มากระทบกับจิตม<ร>องก็ลืมมั น, มนถ้านีมองโคกกระดูกเรามองไม่เห็นเห็นหน้าเห็นตาเห็นรูปเห็นร่างมันก็ไปหลงรักเขาได้แต่ถ้าเรานึกถึงโคงกระดูกเขาบ่อยๆต่อไปเห็นทีารก็เห็นโคกกระดูกมันก็จะไม่หลงรักเขาอีกต่อไปมัน คือเขาเรียกอะไมันเป็นมันต้องใช้จิตแบบละเอียดต้องนึกบ่อยๆต้องคิดบไปไป่อยๆค่ะตอนนึกไม่ออกก็ไปไปบ่าชา้าแล้วค้างช่วยเขาล่างบ่าชา้าแล้วค้งเนี่ยหรืว่าจะไปเิ้นเดือนเนี่ยค่ะเดี๋วนี้มีหนังสือก็เปิดหนังสือเปิดกูเกิลดูโครงกระดูกก็ได้ค่ะวันศุกรวันนี้หนูก็พาคนไปหาหมอมาหนูก็เห็นโครงกระดูกหนูก็นั่งยินมองอยู่ว่าเ<อ>นี่ยแหละนะตัวเราก็มีมุมต่างๆค่ะ ต้องต้องต้องมาคิดบ่อยๆอันจะได้ไม่เลี้ยวแต่ไปเราเห็นร่างกายของใครเราจะเห็นคงกระดูกไปด้วยอ่ะแล้วก็เออหนูหนูจะลองไปทําแล้วก็เดี๋ยวหนูจะไปล้างสักครั้งดูค่ะเพื่ อ, อให้เห็นกร<จ>ะดูเห็นเราจของจริงแน่ๆเป็ น, ะนยังไงค่ะว่าจะไปสิ้นเดือนเขามีตรงที่นาเกลือค่ะ กระดูกนี่ก็เป็นของคนที่มีหน้าตาเหมือนเราก่อนตอนที่เขายังไม่ตายเขาว่ามีหน้าตาลุ่มล่างเหมือนเราเนยแตขาคงไม่ตามเรากลับบ้านใช่ไหมตังก็ดีเราจะจได้จําไว้ให้มันแน่นๆจะได้ไม่ลืมหนูต้องไปตั้งถ้ามันจําได้ก็ดีต่อไปเห็นร่างกายของใครก็เห็นเห็นโครงกระดูกของเขาไปด้วยหนูหนูอยากปรุงให้ได้เร็วๆแต่ทีเนี้ยหนูแบบอยู่กับคนตลอดเลยทํางานก็ทำงากับคน เจอแต่เขาคนตลอดเลยค่ะอืมก็เลยไม่มีเวลาปองไม่มีเวลาดูใช่ค่ะหนูก็เลยอาศัยว่าเออหนูยังไปทำบุญเสบ่าเพื่อไม่ให้มันหลุดจากโคงโมงโจร น, นี้อยู่หนูก็พยายามแบบพยายามดัางดามรักษาสี่ห้าไว้ก่อนไงยังดีใช่ค่ะพยายามดึงให้ตัวเองได้อยู่ในหมวดหมู่นี้ไปตลอดตลอดเพื่อเผแบบมันจะแบบเเบาบางลงบ้างใช่จะได้ไม่ไปตกนรกนะฮะอ่ะอ่ะโทค่ะโอเคขอบคุณหมอ รุ่งเลยมั้งใช่ไครับรุ่งเลยวัตการครับพระอาจารย์ว่า อ, อย่างไงมีอะไรไหมวันนี้อ๋อวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมครับพระอาจารย์วันนี้รักษาสินแปดเพเป็นวันพักครับอืมครับแล้วก็ที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นความทุกข์เยอะขึ้นครับอาจารย์ครับอืมคือรัว เห็นว่า <sucked> ถ้าเราเราแบบขาดสติเนี่ยมันทุกข์เลยครับพระอาจารย์อืมแต่เราเรป็นมันจะปูแต่งไม่มาได้ครับพระอาจารย์หรือว่าถ้าเราไปอยากนะครับพระอาจารย์หรือไปกังวลข้างหน้ามากๆก็จะทุกข์ครับอยากมากคือกังวลข้างหน้ามากๆครับพระอาจารย์ก็กังวลก็เพราะความอยากอยากให้ข้างหน้ามันดีความไม่ได้นอนก็เลยกังวลขึ้นมากลัวมันจะไม่ได้ดีเนี่ยก็เลยทุกข์ครับพระอาจารย์เอย่ากังวลับคนยังมาไม่ถึง รักษาปัจจุบันให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็แล้วกันครับพอผมนั่งสมาธิปุ๊บเจริญสติปุ๊บมันก็หายครับอาจารย์เดี่ยวมก็รู้ว่ามีรู้ว่าเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์อืมแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเผลอก็ไปเลยครับอาจารย์นิสัยเดิมมันชอบไปห่วงหน้า ห, ห, ห่วงหน้าห่วงหลังอยู่เลยใช่ครับอาจารย์ชอบไปกังวลเพราะเราอยากเป็นคนอยากจะทำให้มันดีอครับอาจารย์เป็นนิสัยทำไรต่อไปไม่มีน้ํามันตามไป ไปไหนมาไหนไม่ได้ไปซื้อกับข้าวไม่ได้จะทำยังไงดีครับครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอื่นนะครับพระอาจารย์แล้วก็เรื่องงานเนี่ยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นอีกอย่างว่าถ้าเราพูดเราพูดเนี่ยพระอาจารย์สงสัยต้องพยายามปฏิบัติพูดให้น้อยที่สุดครับพระอาจารย์เพู่อท่านจะยังเป็นพื่ที่เป็นเรื่องบัรดาลประโยชน์ถ้าไม่เป็นบันาลก็อย่าไปเสียเวลาหรือแม้กระทั่งอะไรไม่จําเป็นก็อย่าไปพูดอะไรดีกว่าพระอาจารย์ จบดังไม่ถึงเวลาประชุ ม, ม อ, อะไรพูดทำ อ, อย่างเดียวเนี่ยค่ะครับพระอาจารย์อดีผมเป็นประธานเนี่ยครับพระอาจารย์อโตมันก็ต้องพูดแต่คิดว่าบางทีเราก็จะพูดมากไปครับพระอาจารย์จึงกะมันก็ทําให้เราสติเราขาดไปครับพระอาจารย์ก็พูดพอประมาณพอให้เขารู้ว่าเราต้องการดําเนินการอย่างไงในแต่ละเรื่องครับพระอาจารย์ผมคิดว่าก็ทําให้ สัปดาห์เนี้ยก็ได้เห็นอะไรเยอะขึ้นนะครับอาจารย์แต่ก็ต้องกับลิ่งปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดนะรพระอาจารย์หมายถึงว่าไอ้ระดับการควบคุมความทุกข์ น, นะครับอาจารย์ครับยังมีกําลังน้อยครับยังมีกำลังน้อยครับเพราะ บ, บางทีเราช่วงที่นั่งสมาธิดีๆเรานึกว่าเราสติแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นเพียงที่เราเข้าสมาธิครับอาจารย์แต่จริงๆพอเวลาระหว่างวันเนี่ย เราไม่มีสติเลยมันไม่พอคราาับพรอาจารย์ ม, มันหลุดไปง่ายมากเลยหลุดไปง่ายเราก็ต้องมานั่งพุโทโธพุโทโธเข้าสมาธิใหม่เพื่อให้มันดีขึ้นก็แสดงว่าเรายัางไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับพระอาจารย์ใช่เวลามันได้เข้าสมาธิเราก็ต้องพยายามทรมสติอยู่เรื่อยๆด้วยค ร, รับพระอาจารย์เพิ่งจริงที่ได้เหมือนได้ตอนนั่งสมาธิเท่านั้นเองอถ้าเราไม่เข้มแข็งกับสติมันจริงๆนะมันจะหลุดง่ายมากคราาับอาจารย์ ครับที่ ก, ก็ปฏิบัติไปก็เรียนรู้ไปเรื่อยว่าเราต้องอปรับปรุงยังไงแก้ไขยังไงครับพระอาจารย์ก็เข้ามาอธิษฐานจิตกับพระอาจารย์ว่าจะตั้งใจปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอให้อาจารย์เหมือนกับมารับพร อ, อาจารย์ด้วยครับว่าให้ให้ผมได้ปฏิบัติผมจะพยายามเต็มที่ให้พระอาจารย์มาที่าอาจารย์มาให้สัญจาครับก็อยู่ที่อธิบายสีถ้ามีอธิบายสีแล้วก็จะสามารถทำอะไรต่างๆที่รตะปารถนาได้ <พ>ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพายายามสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาครับครับอาาฉันทาบความยินดีกับหน้าที่การงานที่เราต้องทํ<พ>าครับวิริยะพอมีความยินดีมันก็จะขยันทําเองครับ <พา S 2> แล้วใจมันก็จะไม่คิดเรื่องหนึ่งสนใจแต่เรื่องการทาํางานของเราเท่านั้นเองครับอาจารย์วิมังสาก<พ>็คิดขัดกวนอยู่กับเรื่องงานเรื่องการับ แต่คงต้องทิ้งเรื่องเรื่องเรื่องงานนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ต้องละทิ้งแล้วก็มาพนิมยมในงานทางทางทางสมาธิไงอาจารย์ ง, งานทางไหนก็ตามมันจะต้องมีอธิบาทสีมันต้องสำเร็จรโลกได้ดีครับครัอาจารย์ผมมุมคิดว่าคงต้องปล่อยทางโลกมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์เรื่องงานงาเรื่องงานต่างๆนะครับอาจารย์ใช่เอาเวลามาให้เราทำทำได้ไหมครับเพราะบางทีเราไป อะไรมากเนี่ยจริงๆมันก็เป็นตามทางโลกนะครับพระอาจารย์อืเราก็ผมก็ตอนนี้ยึดหลักที่พระอาจารย์สอนว่าหน้าที่เราคือทาเหตุให้ดีอย่างเดียวสมมติแล้วผลมันจะตามไปทำไปยังไงผลก็จะตามไปนะครับแต่บางทีผลมันก็ไม่เป็นอย่างที่เห็นนะครับพระอาจารย์อืมมีปัจจัยหลายปัจจัยครับใช่ถ้าลดนิดเดียวไม่ต้องปรับเหตุให้มันให้มันตรงกับผลที่เราต้องการ พระอาจารย์แต่บางเรื่องถึงเราจะทําดีที่สุดยังไงมันก็ไม่ทางโลม่มก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จนะพระอาจารย์รรรยอืมไม่เป็นไรเราจะไม่ได้หวังทําเพื่อความดีเราจะหวังทําเพื่อให้อ า, า, ามมจารย์เรามีความสงบครับพระอาจารย์ก็ต้องมัดมาอยู่ที่ทางธรรมดีกว่าครับพระอาจารย์ทางโลกก็ผมคิดว่าก็ทําหน้าที่ไปทําหน้าที่ไปเท่าที่เรามีหน้าที่อย่า ah. ครับพระอาจารย์อ่าในทางตอนครับแล้วก็ต้องมามาทางธรรมละเพราะว่า ผมคิดว่าไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์เลยครับพระอาจารย์เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิครับจนถึงวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเอามาฝึกสเตฝึกสมาธิดีกว่านะดีกว่าครับพระอาจารย์แล้วก็พูดให้น้อยลงพูดให้จําเป็นที่สุดออืส่วนไม่ต้องไปคาดหวังกับผลอะไรต้องต้องไม่อยากกับผลมานะครับอาจารย์อยู่ที่เหตุก็แล้วกันอยู่ที่เหตุครับพระอาจารย์ครับผมก็มาพระอาจารย์มาให้อธิษฐานจิตก็ให้สัจจะว่าจะตั้งใจปฏิบัติ มากขึ้นและดีขึ้นเ ล, นเลยนะครับว่ า, าอาจารย์ขออาจารย์พาถังแข็งแรงนะครับอาจสาธุครับไ ป, ไปที่สกลนครคุณภพสิทธิ์ยังอยู่ที่สกลอยู่อ่ะครับอยู่ที่เดิมนหะครับอาจารย์การวัฒนการอาจารย์ครับอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองอยู่อยู่อ ย, อยู่ห่างจากเมืองประมาณสิบกิโลครับอาจารย์เป็นเกษตรกรนะ <laughs> เกษตรกรด้วยครับอาจารย์แล้วก็ทํางานก่อสร้างครับอาจารย์อ่าทางานก่อสร้างปลูกอะไรท่านนั้นปลูกอะไรได้บ้างผมผมปลูกข้าวครัอาจารย์ปลูกข้าวนทําาแล้วก็ทํานาทํานาครัอาจารย์ก็ล่าสุดก็เอาข้าวไปถวายครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพก็เอาข้าวไปถวายสีข้าวไปถวายเด็ดครับแล้วเวลาที่ทำมือทำมือข้าวประทยแล้วก็เคยไป็นทำมือด้วยบ่า ก็มีบ้างครับอาจารย์อืส่วนใหญ่จะเสียไปถวายตามวัดเสายหลวงปู่มั่นนี่แหละครับอาจารย์ออือาไปให้ที่หลวงพ่อพระชายาไปให้ที่หลวงพ่วเลยอาจารย์อืมครับแต่นี้ผมาไปถวายบ่อยถ้าไปถึงนั่นไปถึงท้ำผู้ถ้ำพระนั่นอาจารย์อตรงใช่ครับตรงตรงที่หลวงตามหาบัวท่านไปอุปถัมย์ยุดสมัยตะก่อนนั่นนะหลวงปู่ไทยครับ ตรงตรงถ้ำพระครับอาจารย์น้ําตกถ้ำพระอะครับออครับตอนนี้ผมก็ไปสร้างสร้างอยู่ตรงตลาดเออําเภอเสกาครับครับประจวบคุเตะไม่ไม่สร้างสร้างสร้างอาคารครับอาจารย์สร้างอาคารแล้วมาสร้างก็ดูดูดูงานครับควบคุมงานครับอาจารย์ควบคุมงานแล้วก็ตรงอีกที่นึงก็อยู่ อยู่อำเภอคำตะ ก, ก้าครับอาจารย์อรัครับแถวนั้นก็จะแวะไปหาแต่ก่อนสายล่งตาแตงอ่อนนะฮะ เ, ออเป็นพระที่ปฏิบัติดีเหมือนกันครับสกนอนครนี่มีพระอริยะเยอะครับการปฏิบัติก็ก็ดีขึ้นอยู่ครับอาจารย์เพราะว่ามันมันวางไปเยอะอยู่เพราะว่าเ อ, อเออตรงจุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตได้ก็คือว่าเ อ, อ มันคือเวลาจิตมันวางภาระของมันเนี่ยมันจะมันจะสมองมันก็จะคลายสมองไปด้วยมันจะมีเสพยิดขึ้นหน่อยหนึ่งในสมองเราครับอาจารย์แสดงว่าจิตมันมันเข้าเข้าไปในจุดที่มันใกล้จะได้พักผ่อนนะครับอาจารย์ดีครับก็เลยว่าก็ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละครับอาจารย์ ใช่ถ้ามันเป็นนิสัยมันกินข้าวกินข้าวสามมื้อก็ต้องปฏิบตัติวันละสามครั้งครับเพราะว่าจิตปกติจิตเรามันไม่ได้พักผ่อนอยู่แล้วนะว่าอาจารย์เนาะใช้ครับมันเลยไม่มีกําลังสู้กิเลส น, นั่นแหละนั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาอยู่ครับอาจารย์การปฏิบัติ<ช>ทำพัก ม, มีสมาธินั่นมันจะมีกําลังสู้ครับ ก็มันมันอยู่กับงานอยู่กับอะไรอยู่กับคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันเลยทาปฏิบัติไม่ได้มีเรื่องมีราวให้ต้องเลยดังนั้นตลอดเลยครับพระอาจารย์ครับจะประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละพระอาจารย์แต่คิดว่าถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆก็น่าน่าจะใช้ได้อยู่ครับพระอาจารย์ได้ความยายามีนะครับสำเร็จดีครับก็ประมาณนี้ครับพระอาจารย์ครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ไปไดค้คุนครณนิ่งต่อคุณนิ่งกลับมาบ้านแล้วยังยังอ ย, งอยู่บนเขาอยู่ไปบ้านแล้วค่ะพระอาจารย์กลับมาแล้วเลยอยู่นั่งหมดสีวันสี่วันนะสีวันค่ะอ่าเพื่อนเขาก็อยากไปอีกมีคนอยากไปไปด้วยอะค่ะพระอาจารย์ติดใจนะชอบเนะี่ยค่ะชอบชอบตรงไหนตรงที่มันสงบนะสงบค่ะพระอาจารย์ สงบแล้วก็เขาก็ได้อะไรเยอะหนูก็ได้อะไรเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เหมือนที่เคยบอกมาแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ทําให้เรามานั่งคิดว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้วทําไมอ่าพ่อเมฆคูบาอาจารย์แต่ก่อนที่ท่านไปเดินผู้ ด, ดงท่านไปด้วยใจล้วนๆท่าใจได้ก็คือไปได้ทั้งหมดนะคะพระอาจารย์ตอนที่หนูได้เดินนะคะอาจารย์ก็คิดอย่างเงี้ยครับ อครั้งหน้าก็อาบอกใครต้องมีคว า, า, ามาสงบมันนี้จะทำอะไรได้ค่ะหนก็บอกว่าข้า้งหน้าหนูจะไปสักอาทิตย์หนึ่งเขากม็มองๆที่บ้านที่บ้านก็แบบอึ้องๆไปอ่ะค่ะพระเจ้าจ <laughs> บอกว่าจะจะไปหลายวันอ่ขนาขณะนี้ไอตัวเล็กที่ไปด้วยเขาบอกว่าทาไมย่าไปหลายวันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>ขาคิดถึงเลยคิดถึงค่ะอ็บอ อาไม่ได้ไปหลายวันนะเอาไปตั้งหลายวันไม่รู้หรอเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะอันที่นี้คนโตไม่ได้มาไม่ไม่ได้มาด้วยนะอ่าเขาเขาไปสอบค่ะอาจารย์เขาบอกว่าค่ะไปสอบเปลี่ยนอยากเปลี่ยนโรงเรียนหนูก็อ่ะก็ลองดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยิ้มยิ้มก็หนูก็แค่ไปลองดูไม่ต้องไปคิดอะไรว่าเขาเป็นคนไม่ไม่อะไรมากหะเกไปเรียนเมืองสิบ็เหรอค่ะ เขาอยากไปเรียนเมืองสิบเอ็ดเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ได้อาแล้วหนูคิดยังไงไม่ได้ก็ไม่เอาหนูก็เรียนที่เดิมก็ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายตรงไหนค่ะไม่ได้เสียหายตรงไหนหนูบอกว่าบอแค่เป็นคนดีก่อนก็ก็พอแล้วค่ะเขาก็บอกว่าโอเคก็ได้แค่ไปลองดูเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาก็อ่าเข้าใจตรงนี้ค่ะคือวันนี้เหมือนหนูได้ ปิบัติอย่างหนึง่งไปเจอลูกค้าที่เป็นอเมริกันนะคะพระอาจารย์ตอนนั้นเขาก็โทรไปหาตั้งแต่หนูอยู่บนเขาหนูก็บอกว่าตอนนี้หนูไม่ว่างเขาบอกว่าเธอไปทําอะไรอยู่บนอยู่บนเขาหนูก็บากว่าจะอธิบายยังไงเดี๋ยวเขาก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันเขาก็มาโทรโทรแล้วโทร อ, อีกวันนี้ก็เลยได้ไปแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างคือเห็นใจตัวเองไม่ได้เห็นใจเขานะเห็นใจตัวเองว่า ออพอเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็คงงงว่าทำไมเฉยทําไมไม่ได้อะไรมากในขณะที่น้องสาวอุย๊ยเธอมันทําแบบนี้ไม่ได้นะ้าแบบนี้ก็เธอไม่ได้นะหนูกบอกว่าไม่เป็นไรวันพระทําปุนไปก็แล้วกันหนูก็บอกอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะอาจารย์ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหนูก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ่ะก็โอเคถ้าเธอคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็เฉยเฉยเพียงแค่ว่าทําให้เรา หินอะไรหลายอย่างอ่าเกี่ยวกับคนด้วยเขาอาจจะเจอเหตุการณ์แต่โดยเฉพาะหนูไม่ได้สนใจหนูสนใจแค่ว่าใจเราเราเป็นแบบไหนแค่นี้เองค่ะพระอาจารย์อันนี้เห็นละหนูคิดถูกใช่ไหมครับพระอาจารย์ที่ระวังที่ใจให้เราเห็นดูใจเราแล้วเราพยายามคอยกำจัดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราค่ะรู้สึกว่าเบาแล้วเราไม่ได้ติดติดอะไรค่ะ แล้วทุกวันก็ทำให้เราเห็นคนในบ้านด้วยที่แก่ชราตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องมานวดแขนนวดอะไรเงี้ยพราปู่เขาก็เก้าสิบสองเก้าสิบสามใช่ไหมคะอืมแล้วเห็นความห่วงที่ไม่อยากจากไปยึดติดกับเมียกับหลานกับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็ได้พิพจรารณาโอ้โหถ้าไปถึงขนาดนั้นหนูก็เลยมานั่งคิดนะคะว่า หนูก็ไม่ได้ว่าอยากให้เข้าไปหรืออะไรเงี้ยหนูไม่อยากอยู่หนูไม่อยากอยู่ยยแต่พอหนูตอนหนูนั่งสมาธิหนูก็คิดออกมาว่าวันหนึ่งมันก็จะไม่มีเราอยู่ตรงนี้เราก็จะหายไปเขาก็จะหายไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ที่็นทีน อ, ยอยู่ชั่วคราวที่นี่มันที่อยู่ชั่วคราวค่ะทุกอย่างคือชั่วคราวที่นี่นเห็นความห่วค่ะเห็นความห่วงลด ของของเขาหนูก็ว่ามาห่วงมาคุมเอาไว้หนูบอกขายทิ้งไปก็ไม่ขายอ๋อการยึดติดคือกับสิ่งของไม่อยากจากก็เป็นทุกข์หนูว่าหรือเปล่าเนี้ยแต่แต่นี่ส่วนตัวของหนูหนูก็ไม่นะคเพะอาจันหนูเสียอะไรมาเยอะหนูบอกว่าโอ้ได้มาเสียไปตอนโควิดเจอเยอะแล้วก็ได้มาเจอธรรมะ นะคะจากพระอาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะมากมันก็เลยทำให้เราทุกน้อยลงค่ะพระอาจารย์ดีตอน <ไป S 2> นี้นต้องขอเ<อ>แลิวนะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะหนูก็จะเพียนปฏิบัติต่อไ ป, ะปอะค่ะฝึก<ด>ต่อไปคุณเอ็นกับพีเชิญชื่ อ, อรจ๊ะเปิดไมค์กันต้องกดปุ่มเปิดไมค์กัน ยังไม่ได้เปิดเห็นผุมไมโครโฟนมาเปิดแล้วพูดได้เลยนามาส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์อแม่อแม่ลูกะะนะพูดเลดูในดูในจ อ, นจอไม่เหนไม่เหมือนกับดูตัวจริงเลยอาจระาจจะว่าไม่เห็นเห็นผมก้าวแล้วข้างหลังหมดเห็นแต่หน้ายังไงมีอะไรหรือเปล่า ค่ะพระอาจารย์ก็า ม, ามากราบท่านนะคะคิดถึงพระอาจา น, น, นะไปเลยใช่คุณจะไปแล้วมันยไม่ได้เข้าไปอ่ะที่ที่ผ่านมาเนี่ยมจะพัเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ไปติดใช่เขาเลยพอดีว่ามีมีมพยายามพยายามเลี่ยงแต่ว่าใช่ค่ะเดียเ๋ยวพยายามหาโอกาสเข้าไปค่ะพาอาจารย์ได้ว า, วางเมื่อไหร่เขเข้ามาแล้วกันนะค่ะ <Okay. S 2> ทําใจก้าวเข้ามาค่ะวันนี้ก็ดีเป็นครังแรกใช่ไเนี่ยครั้แรกค่ะทำยากเลยตอจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกอะคะ่ะครั้งจริงๆเคยครั้งนึงแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ได้ไม่ได้เปิดหน้ากล้องะะอ่ะค่ะอเราก็เลยก็เลยโดนเชิญออกค่ะเขากลัวจะพวงมามาป่วนเขาก็เลยก็เลย เที่ยวนี้ใจกล้าๆเปิดน้ล้องไปเอเดีเขินค่ะจะแสดงความบรยสุดใจว่าน้าไม่ได้เป็นน้ำข่วนปกติซุ้มอยู่แถวยู u ูปค่ะพ่โอเคมาเดนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วมีอะไรจะถามไหมก็มีของแพ้่ะไม่ดีหรออันนี้ไม่มีค่ะก็คือเหลือแต่ต้องพยายามคือทราบแต่ว่ากำลังยังไม่ถึง แต่เห็นเห็นความถูกว่ารู้สึกว่าเ อ, อพยายารที่เราพยายามอยากจะคุมอยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นต่อให้เป็นเจตนาที่ดีมันก็มันก็เกิดความทุกข์อยู่ในใจอ่ะค่ะมันก็หนักอยู่ที่เราอยู่คนเดียวอย่าไปอยากทําท <c oughs> ไปเลยไม่ต้องอยากได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี <c oughs> มันก็ังไม่ทุกข์เราก็สงสารคนเขาอ่ะค่ะก็ะแบบอพอจะมีโอกาสให้เขาแบบมันนิดนึงช่วยเขาได้ไหมเราเห็นนะเขาว่า แล้วก็สงสารคนที่เขาโอกาสน้อยกว่าคนอื่นนะคะแต่บางทีมันก็ไปอาจจะไปขัดกับอะไรกฎหรือข้ออะไที่ที่มันใหญ่กว่าอำนาจเราช่ยะก็ช่วยช่วยไม่ได้กแล้วไปก็ต้องวางใจพีนปคม่ค่ะตรวของหนูเลยค่ะค่ะขอบคุณทุก่แข็งแรงไหคะแข็งแรงแข็งแรงสาธุค่าไปที่คุณล้าตอบคุณล้ามีคาถามหม กลับนมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟ e b o o k เจ้าค่ะกลับน้ำมาสการพระอาจารย์ครับการที่ผมนั่งสมาธิสามารถกำหนดความว่างได้ความคิดหยุดจิตลอยอยู่ในความว่างผมไม่จำเป็นจะต้องกำหนดพุดโทโธแล้วใช่ไหมครับถ้าเด็ดว่างเจ็ถ้ายังไม่สงบยังไม่สุขก็ยังก็ต้องพุโทโธต่อไปต้องไปทั้งจุดที่มันรู้สึกมีความสุขมาก คำถามต่อไปการเลือกทำบุญกับพระสงฆ์เช่นถวายอาหารถวายสังฆทานหรือถวายปัจจัยถวายอะไรได้อนิสงฆ์มากกว่ากันครับก็เหมือนกันหละจะถวายอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็ได้บุญเหมือนกันคําถามสุดท้ายจากคุณปุ๊บ หนูมีปัญหาในการนอนค่ะนอนไม่หลับอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําเจ้าค่ะพุทโธเวลานอนก็พุทโธไปถ้านอนไม่หลับก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หลับคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดอดีสหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านตัวนรกสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด